อาจารย์ครับการนมัสการครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิชัชนาธิการงที่91แล้วครับวันนี้ผมขึ้นต้นรายการเรื่องมงคลชีวิตครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการผมกลับเรียนถามอาจารย์วันนี้คนไปใสบัตรเยอะไหมครั บ, าบรอาจารย์626อ๋อ626เอ๊ะ ว, วันนี้ก็ยังเยอะกว่าเพ ร, ราะมันเสาร์ครับมันภาคกัมมะที่เยอะ อ้าถ่ายแยกกันก็วันละสามร้อยวันละสามร้อยกว่าวั น, วน้ายแยกกันพอมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นหกร้อยครับผมพระอาจารย์ครับเหตุผลที่ที่ขึ้นมาเรื่องมงคลของชีวิตนี้ก็เพราะว่าพวกเราชาวพุทธชาวพุทธทุกคนก็พยายามจะอยากได้ครับอยากได้ของมงคลอยากรู้วันมงคลอยากไปสถานที่ที่เป็นมงคลวันนี้ผมก็เลย จะกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วคําว่ามงคลเนี่ยคืออะไรแล้วทาอย่างไรพวกเราถึงจะออมีมงคลติดตัวกับเราไปได้เลยครับอาจารย์ครับกราบขอพระเมตตาครับคำว่ามงคลตามหลักของพระพุทธศาสนาก็คือความสุขความเจริญของจิตใจไม่ใช่ความสุขความเจริญของทางโลกกระทำคือราบยศสรถรเสริญสุขเพราะว่า ความเจริญทางลาภยศฤษเสริญสูงนี้มันเป็นความเจริญแบบชั่วคราวมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อมแล้วก็การเป็นความทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่เป็นความสุขความเจริญแต่ความสุขความเจริญที่แท้จริงคือความสุขความเจริญของจิตใจที่เป็นสิ่งที่ถาวรจิตใจนี้ไม่ตายไม่มีวันหมดไม่มีวันจบถ้าทาให้จิตใจ จเจริญขึ้นไปก็จ ะ, จะเจริญไปตลอดถ้าสร้างความสบขความเจริญให้กับจิตใจจิตใ จ, จก็จ ะ, จะเจริญขึ้นไปตามระดับเผื่อระดับจากระดับบุตุชนขึ้นสู่ระดับพระอริยบุคคลนั่นเองนี่คือความหมายของความมงคลที่ส่งแสดงไว้ในมงคลสามสิบแปดคือสามสิบแปดขั้นสู่การเป็นพระอริยบุคคลพวกนี้เลย นี่แหะคือมองคลที่พระเจ้าทรงแสดงแต่คนทางโลกกรรมป่าคิดว่าเป็นความมงคลทางด้านทางโลกก็ทำให้หนึ่งให้เจริญในลาบยศสารสนสริญสกดกันแต่ทางธรรมนี่รู้ว่าโลกกับธรรมนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะโลกกธรรมอยู่ภายใต้กฎของตายรักอนิจจทุกขละนาฏตาที่ต้องมี กาเสื่อมลงจเจริญแลก็เป็นการเสื่อมเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าได้โลกกระทำแปดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอกับความทุกข์เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพัดพรากจากกันยัยไม่ใช่หมายความมงคลนี้ไม่ได้หมายถึงความสุขความจเจริญทางด้านโลกกระทำแต่ทา ง, งด้านจิตใจให้พัฒนาจิตใจจากมนุษย์ ให้เป็นเทพจากเทพให้เป็นพรหมเพราะจากพรหมก็เข้าสู่ระดับพระอริยบุคคลเป็นพระสุวดาเป็นพระสกิฎาคามีพระอนาคามีใ น, ในที่สุดก็พระราห์พราพอได้เข้าสู่ขั้นระดับพระอริยบุคคลแล้วความเสื่อมก็จะไม่มีจะพัฒนาขึ้นไปให้สูงขึ้นไปเรื่อย อยากสวัสดิบลก็เป็นสกิดาคามีจะสกิดาคามีก็เป็นอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับความสุขที่ได้แต่ละขั้นก็เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ที่มีอยู่ก็จะลดน้อยลงไปตามลำดัจนในที่สุดก็ไม่มีความทุกข์ลงเลยอยู่ในใจเมื่อถึงขั้นที่สี่ขั้นพระอาหารหันต์ื่อจิตจะเต็มไปด้วยความสุขปรมังสุ ข, ขงัง ความทุกข์นี้ไม่มีเลยพระนาคาเมยังมีความทุกข์อยู่พระสกิทาคาเมยังมีความทุกข์อยู่พระโสดาบันยังมีความทุกข์อยู่แต่ก็ทุกน้อยกว่าบุตุชนเพราะว่าพระอริยบุคคลแต่ละขั้นก็นกํกจาจัดสังโยชน์ที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจให้น้อยลงไปตามลําดับ ในที่สุดสัมยุติทั้ง1ิที่สร้างกับทุกข์กับใจก็ถูกทำลายไปหมดใจก็จะเลือแต่ความสุขแต่มเปี่ยมอยู่ภายในวใจและวิธีที่จะขึ้นไปสู่ระดับป่าริยะบุคคลนี้ก็ต้องให้ปฏิบัติตามมงคลประสูตร38สข้อนี้อันนี้เป็นการเป็นการสแสดงธรรมอีกวิธีหนึ่งสแสดงมากอีกวิธีหนึ่งที่ครอบคลุมกว้างขวางกว่า มีลาลยลที่มากมายกว่าเช่นก็แรกก็ให้ครอบบัณฑิตอย่าไปคบคนผ่านอย่าไปคบคนว่าบัณฑิตก็คือผู้รู้มรรคผลนิพพานเนี่ยผู้รู้ทางสุมรรผล น, นิพพานก็คือพระพุทธพระธรรมผสม์ให้ครบพพุทธพระธรรมผสมเราก็จะได้รู้ขั้นตอนของการปฏิบัติเพื่อ น, นํำไปสู่การบรรลุมรรคผล น, นิพพาน ไปก็คนที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะเขาจะไม่สามารถสอนเราให้ไปถึงนิพพานได้ถึงแม้เขาจะเก่งทางโลกะจบปริญญาเอกมาก็ตามเถอดแต่ถ้าเขาไม่มีความรู้ทางธรรมเนี่ยบกับเขาก็เสียเวลาเปล่าเขาก็จะพาเราวนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่ง้นั้นเบื้องต้นเลยให้รู้จัก ค, คนถ้าอยากจะไป อยากจะได้ความเป็นมงคลตามหลักของพระพุทธศาสนาคืออยากจะได้พัฒนาจิตใจให้มีความสุขมากขึ้นให้ใจดิงสูงขึ้นก็ต้องคบกับบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาบัณฑิตทางาพุทธศาสนาก็คือพระอริยบุคคลนั่นแหละตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านี้เป็นบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้ทางสูงมรรคผลนิพพาน ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวนว่ายตายเกินดนอกนั้นเราไม่มีใครรู้บัณฑิตทางโลกนี้ไม่ว่าจะจบปริญญาขแขนงไหนก็ตามแม้แต่ไอายส์ตายก็ยังยอมรับว่าพระพุทธเจ้านี่เก่งกว่าอายส์ตายได้ศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วยอมรับว่าเป็นความรู้ที่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้น มงคลที่แท้จริงก็คือมองคลที่เกิดจากการปฏิบัติมงคลที่สามสิบแปดมงคลคือความสุขความเจญและหน้านจิตใจทุกครัางที่แสดงธราม ท, ที่เกี่ยวกับเรื่องวัสดุต่างๆนี้เราม้างจะรวมมงคลวะสูตรนี้ไว้ให้เป็นแนวทางของผู้ที่ยังเริ่มต้นใหม่ๆยังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเลยก็อันนี้จ ะ, ะอธิบายวาวากว้างขวางกว่ามาหนึ่งให้ ให้เคาคนฉลาดอย่ากเ ค, คนรพก็แล้วก็ให้เป็นคนที่ให้บูชาบุคคลที่สมควรกับการบูชาเป็นผู้ที่มีเกียรตบุคคลที่มีกียรติกงบเราท่านบิดามารดาครูบาอาจารย์ พ, พระพุทธธรรมประสงค์นี้เป็นบุคคลที่มีคุณมีประโยชน์กับเราเราควรจะให้ความเคารพกับท่าน แล้วก็มีขั้นต่อไปอ่าไปไเรื่อยๆจนถึงในขั้นสุดท้ายจิตก็วิมุตต์จิตจิตผ่องใสจิตเบิกบานจิตกเกษมดันั้นมาถึงขั้นนี่ผ่านะจิตก็จะเป็นจิตกเกษมไม่มีความเศร้าสุดลงเหลืออยู่ในจิตของพวกที่ได้ปฏิบัติถึงขั้นขั้นที่สาสิบแปดอันนี้เราจำรายละเอียดไม่ได้ไม่ไ ถ้าเราไปอ่านดูไปศึกษาดูเป็นเหมือนคู่มือของการดำเนินชีวิตให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับพระนิพพานได้พอจะเข้าใจไหมนี่นะบางคลไม่ใช่ให้เราใด้วยไม่ให้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นแล้วเดี๋ยวก็จบใช่ไหมรวยเท่าไหเดี๋ยวมันก็จบเศรษฐีอันําบหนึ่งของเราก็ยังขึ้นๆลงๆมัน บางทีคนที่เป็นอันดับห น, นึ่งเนี้ยไม่นานคนนี้ขึ้นมาแทนที่แต่ทีนมังไทยก็เหมือนกันมีขึ้นๆลงๆเมื่อใดที่สุดตายไปก็ก็กลายเป็นศพไปไม่มีไม่มีการติดตัวไปนี้วิญญาณจะไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณก็ได้เพราะไม่เชื่อเรื่องการทําบุญก็เลยไม่ทำํำเมื่อไม่ทําบุญตายไปก็ ก็ไปแบบขอทานไม่มีบุญติดตัวไปก็ทำไปขอขอบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ให้เขาช่วยส่งบุญไปให้อย่างอย่างการนั่งได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์หรือได้การสานาทธรรมกับพระอาจารย์นี้ก็เป็นก็เป็นมงคลแล้วใช่้ก็ <c oughs> เป็นอย่างหนึ่งในมงคลสามสิบแปดเนี่ยอาศัยวันนาการเลนะธรรมสวัสดิ์การฟังธรรมตามการตามเวลา เช่นทุกวันพระนี้เป็นวันธรรมเทศนาวันธรรมอสวรรค์วันทํามธรรม <Okay. S 1> แล้วธรรมสากาาัะฉาการเลนะธรรมสากาาัะฉาการได้สนทนาธรรมตามตามการตามเวลาอันสมควรก็เป็นมงคลอย่างยิงเช่นตอนนี้ยเรามาเรามาโมเรากาลังม า, มม า, มมาธรรมสากัะฉากันครับธรรมสากัะฉาก็คือสนทนาธรรมหนึ <c> ่ง <oughs> ตอนนี้ทุกคนที่ฟังก็เป็นมงคลหมดแล้วครับ <c oughs> การได้ความรู้ทางด้านศาสนาได้รู้ว่าอะไรเป็นมงคลไม่เป็นมงคลจนได้แก้ความหลงได้เดี <Okay. S 1> ๋ยวไปคิดว่ามงคลหมายถึงอายุยืนยาวนานสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นมงคลทางโลกไม่ใช่มงคลทางธรรมเพรา <Okay. S 1> ะจากจะสุขภาพแข็งแรงขนาดเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ต้องตาย ม่มมอาจารย์ครับแล้วอย่างที่คนไปหาความมงคลกันไปหาวัตถุไปหาวันไปหาอะไรอย่างนี้ถ้าเราทําตามจิต ม, มงคลเนี่ยก็ไม่จําเป็นเลยใช่ไหมครับก็ไปก็ไปไปในสามในสาสิแปดไม่มีบอกเนี่ยว่าให้ไปกล่าวให้ใปกล่าวทำจนรูวันนั้นวันออนี้ขอพรอย่างนีน้ถ้าให้ไปกล่าวพระพระส ม, มณาสูพผู้ผทรงธรรมการได้พบกับสั ม, มณาก็เป็นมงคลอย่างยิ่ง สัมนาก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในพระพุทธศาสนานี่เองเรื่อสัมนาคือผู้สมบการได้เห็นสมณนาเป็นมงคลอย่างยิ่งสมนาในทางาศาสนาพุทธก็คือผ้าระยะบุคคลสี่ระดับนีครับวันนี้ได้เข้าใจเรื่องมองคลชัดเจนมากขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับขอ บ, ขอบคุณครับ อ, อ, อ, อ่านคำถามจากท่านเพืเ่อนเพื่อนบ้างนะคะับอาจารย์ครับร ค, ค, คุณแบงค์ครับจากเรียนฝากถามพระอาจารย์ครับวิธีบริการพุทโธเพื่อเข้าฌานครับ <c oughs> ก็นั่งหลับตาแล้วก็บริการพุทโธไปเรื่อยๆอย่าคิดอะไรถ้าอยู่กับพุทโธได้ห้านาทีก็เข้าฌานได้ถ้าไม่ไปคิดอะไรเลยเราทโดูสิง่ายๆดูได้ทได้ห ให้พูดโย์อะตอนนีไม่มีเรื่องมลยเข้ามาเกี่ยวข้องในใจในห้านาทีฮนะไม่ง่ายเลยนะครับอาจารย์แต่บุงคนได้นะเพราะมีแม่ชีแก้วเนี่ยไปฟังเทศจากหลวงวงปู่ว่าล้วนัง่งภาวนา ย, ยัางไงหลวงปู่บอกพูดโธย์นั่งหลับตาแล้วพูดโทย์เธอก็ไปลองทำดูเธอบอกว่าทำห้ า, านาทีจิตเธอก็รวมลงออไปแสดงว่าเธอมีมีบุญมีเคยทํามาในอดีตสติดีมาก ไม่พังเผลอไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยอยู่กับพุทธโธตามที่หลวงปู่มั่นสอนทุกอย่างทําให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียว <c oughs> ห้านาทีเทานาัา้ถ้าทําได้ก็เข้าฌานได้จิตโดนเป็นสมาธิได้คุณพีโกครับต้องการให้สติกับโปปัญญาติดตามไปทุกชาติภพเราควรทําอย่างไรครับ <S 1> <S 1> ก็สร้างมันบ่อยๆยสร้างให้มันมากขึ้น จเจริญสติให้มากจเจริญปัญญาให้มากมันก็จะติดตัวไปกับเราวันนี้มีแต่คนมากราบพระอาจารย์เต็มเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีคําถามคง <น S 2> <c oughs> จะ <c oughs> คิดว่าจะคงจะต้องใช้เวลาฟัางเรื่องราวก่อนแล้าะวันนี้พูดสั้นหน่อยครับเลยไม่อเวลาสายคําถามเข้ามาคนฟังทำตอนบ่ายนี้ต้องเป็นพันเลยหรอครับอาจารย์ วันนี้พันพันไปหนึ่งร้อยกว่าคนมาที่หน้าปกติประมาณร้อยเก้าสิบกว่าแล้วคนจากบ้านเนี่อปกติก็ประมาณพันร้อยเก้าร้อยกว่าวันนี้พันหนึ่งร้อวันนี้มากเหมือนวนี่ร้อยเก้าสิบสองปกติก็จะวานร้อยสี่เมื่อวานนี้ร้อยสี่สิบเมวนก็ต่ำกว่าร้อยก็มีถ้าเป็นวันพระนี่จะน้อยเพราะมันไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ย บา oh. ทีไม่มีคนค น, คนเขาทำงานกันมาไม่ได้มาได้แต่พวกที่เขาไม่ต้องทำงานเขาก็มาก็าจะมีน้อยหน่อยบางที่แค่80คนยันงนี้คำถามาจากคุณมาริษาครับขอเรียนถามพระอาจารย์เรื่องคนที่มีอีโก้มีอัตตาสูงมั่นใจในตัวเองสูงแข็งกระด้างยอมหักไม่ยอมมอ ทำให้มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตมากข อ, ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําข้อควรปรับปรุงที่ใส่ที่ไม่ดีเพื่อเป็นประโยชน์ครับก็บพระเจ้าสอนให้เราเป็นผู้อ่อนน้อมทําตนนี่การเป็นผู้อ่อนน้อมอ่อนน้อมทําตนนี้จะทําให้เราออ น, นี่ไม่ไปสร้างปัญหากับใครเพราะไม่มีใครรังเกียจคนที่อ่อนน้อมทำตนคนที่พร้อมที่จะรับฟังคือทําตัวเหมือนคนรับใช้ เวาไปคุยกับใครปรึกษากใครก็ให้เขาเป็นเจ้านายคนที่เราคุยด้วยแล้ว <Okay. S 1> ถ้าเรามีอะไรถ้าเราจะมีอะไรเสนอก็พูดอย่างรอบพูดอย่าง อ, อ่อนเนาะขอขอโอกาสครับขอแสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมครับอย่างนี้ก็คุยกันได้แะถ้าเป็นเบ่งว่าเราเก่งกว่าคุณ เ, เรารู้มากกว่าคุณคนที่เขาฟังเราเขาก็ไม่อยากจะคุยกับเราเนะี่ยนรู้จ้าบอกเนี่ยการ การเปวนผูอ่ อ, อ น, น้อมถ่อมตนนี้เป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งว่าจะทําให้เราเข้ากับคนได้ะสา ม, มารถทําอะไรให้สําเร็จประโยชน์ได้เพราะเราพร้อมที่จะฟังเขาแล้วเขาก็จะพร้อมที่จะฟังเราเพราะเราพูดด้วยความอ่อนน้อม <c oughs> คุณธีระครับ ขณะจิตมีสติรู้ตัวตลอดจิตสงบนิ่งความคิดจะดับหรือหยุดความคิดในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้หรือไม่ครับพนั่นแหลถ้าจิตสงบนิ่งความคิดได้ความคิดก็จะหยุดถ้านิ่งเต็มที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็หยุดหมดหลือแต่จิตล้นวนๆ <c oughs> คุณอีฟครับการสู้กับการมาคะทําไมถึงเป็นเรื่องที่สู้ได้ยากสำหรับคารวาเจ้าคะ เพราะคารวะไม่เคยสู้มีแต่ยอมแพ้มันทุกครั้งเลยเวลาเกิดการมาราค้าขึ้นมาเขาที่รประเคงของที่การมาราค้าตา้องการก็มีแต่คอยประเคงอยู่เรื่อยคอยรับใช้การมาราค้าอยู่เรื่อยอย่าไปสู้เขาได้ไลยลองสือนอยูสักครัง้งสิเวลาเกิดการมาราค้าขึ้นมาไม่ทําไม่เอากิจที่เขาสุภาพแทนอยู่ที่จะทําได้ไหมทำได้ยากเพราะว่ามันเป็นนิสัยไปซ ะ, ะและ้ว นิสัยที่แก้ยากเวลาจะแก้นิสัยแต่ละครั้งนี้มันรู้สึกอึดอัดมันไม่อยากจะแก้แต่ถ้ารู้ว่าการทำตามกรรมราคะามันก็จะเป็นพิษเป็นอันตต่อจิตใ จ, จเพราะมันจะทำให้จิตใจของเราจะต้องติดอยู่กับการเวีนยนว่านตายเกิดในกรมมาพบไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าอยากจะออกจากการมมาพบก็ต้องสู้กับมันด้วยอสุภะ พยายามฝึกพิจารณาสุภาพนึกถึงภาพที่ไม่สวยไมงามนึกถึงอาการต่ตางๆที่ไม่สวยงามของร่างกายพยายามนึกบ่อยๆเหมือนกับการท่องสูตรคูพยายามท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆต่อไปมันก็จะจำมันก็จะจําได้เวลาที่เกิดการมร า, ารยาทขึ้นมาเราก็จะได้นึกถึงอสุภาพที่เราจำได้ขึ้นมาแก้ได้คุณเอดาครับ ผู้ที่มีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วแท้จริงคือระดับพระโสะดาบันขึ้นไปใช่ไหมคะพระโสะดาบันก็มีธรรมบางส่วนแต่ยังไม่ทําครบร้อยมีสามสิบเปอร์เซ็นตพอละพอลสังโยชน์ได้สามตัวก็ได้ทำสามข้อสาอมสิบเอร์เซ็นต์สังโยชน์ได้สิบสิบก็ร้อยเอร์ซนก็ต้งละสังโยชน์ทั้งร้อยเปก็จะได้ทำร้อย คุณการปปะพลครับคนที่ถูกผีอั้มบ่อยๆควรทําอย่างไรครับใช้สตินะมันไม่มีเราเราจิตมันอั้มเราเองเป็นอาการของจิตเพราะเราไม่มีสติก็กล่จิตปล่อยให้จิตมันอเคลื่อนไหวปูแต่งขงมันเองมันก็จะปูปแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหลอกเราเวลาเกิดผียัมก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปกลัว มันเป็นเรื่องของจิตของเราเองที่มันสร้างขึ้นมาหรอกเราเองอาจารย์ผมก็เคยโดนคนระับ<อ>มียิ่งใที่เปี่ยวๆที่น่ากลัวมันมักจยมาอ้ามด้วยคนยังไม่กล้าไปอยู่ที่เปรียวที่ที่ที่น่ากลัวอ่ะกันเพราะมันจะถูกอะไรถูกภัยข้างนอกแล้วยังไม่พลอยเจอภัยของจิตใจไม่กลัวกลัวภัยของจิตใจของตนเองมากกว่า ครับตอนที่โดนนี่ผมครับตอนที่โดนนี่ผมรู้ตัวแล้วก็เช็คตัวเองว่าเออจริงๆนะรู้ตัวจริงๆนะแล้วก็ขยับไม่ได้จริงๆครับอาจารย์แล้วภาพก็มอกที่เห็นก็กลับซ้ายขวาบนล่างกลับกันหมดเลยครับก็รู้เฉยๆไปถ้ามันถ้ารู้เฉยๆไม่ได้ก็พยายามพุทโธพุทโธไปให้มันเฉยๆให้มันไปทำอะไรครับกับพอพอจิตสงบแล้วมันก็จะหายไป พอได้สติกลับมามันก็จะหายไปอาจจะไม่ต้องถึงกับจิตสงบนคุณการชทาครับนอกจากพบรูิของมนุษย์แล้วเทวดาพรหมสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ได้หรือไม่คะคือเวลาไปอยู่ในภรอบภูมิเหล่านั้นมันยากต่อการที่จะเจริญธรรมเพราะมันอยู่ในภรอภูมิที่มันไม่มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อเช่นไม่มีครูบาอาจาร ไม่มีความทุกข์ที่จะมากับตุน้นตอนนั้นอยู่ในพบของความสุขมันก็เลยไม่มีความความเพียรที่จะไปดับความทุกข์ค้นเมฆความทุกข์ให้ดับในช่วงที่เป็นเทวดาเป็นพรหมดังนั้นมักจะปฏิบัติปฏิบัติช่วงที่เป็นมนุษย์กันเพราะเป็นช่วงที่มีความทุกข์พอสมควรแต่ก็มีเวลาะที่ความทุกข์ด้านเบาบางลงทำให้เราสามารถ เจริญสติเจริญปัญญาเพื่อเอามาแก้ความทุกข์ได้ถ้าเป็นเกิดพบที่ต่ำกว่ามันก็มีทุกข์มากเกินไปที่จะมาที่จะมาเจริญปฏิบัติธรรมได้ถ้าไปเป็นเนราชาอย่างเงี้ยมันก็ต้องทุกกับการการอยู่รอดการป้องกันตัวเองการหาอาหารกินมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาปฏิบัติธรรมแลว้วก็ไม่มีใครสอนด้ว ย, ยนั้นการจะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมจริงๆนี้ พบที่ดีที่สุดก็คือพบของมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เป็นมนุษย์ส่วนถ้าเป็นเทวดานี้อาจจะศึกษาธรรมและปฏิบัติได้ถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ที่มีความสามารถติดต่อกับพวกเทวดาได้ก็จะสามารถไปฟังธรรมจากท่านได้จะสามารถปฏิบัติต่อไปได้ เช่นพุทธมารดาก็บรรลุเป็นพระโวดาบันในขณะที่เป็นเทวดาพรามีพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโตอยู่ถึงสามสามเดือนด้วยกันหนึ่งพรรษาจนพุทธมารดาบรรลุเป็นพระาสดาบันพอเป็นโวดาบันแล้วก็เหมือนเหมือนกับไฟที่ได้เชื่อแล้วมันจะลามไปมันจะไล่ไล่เผาเชื้อที่มีเหลืออยู่ไปตามลาดับของมันเองคือพอได้รู้จักวิธีกําจัด ทังโยต์สารตัวแล้วทีนี้ก็จะรู้จักวิธีกำจัดทังโยต์ต่างๆต่อไปเพราะมันใช้หลักการแบบเดียวกันคุณราชาครับนั่งหนึ่งชั่วโมงปวดขาดูลมไม่ได้จึงพุโทโธอย่างเดียวเวทนาก็แสดงไปเรื่อยจนความปวดหายไปเองก็กลับมาหาใจพุทเข้าพุทออกโรต่อสัตวพักเวทนาเกิดอีกทำวนไปเรื่อยๆจนเวทนากล้าทนไม่ไหวจึงเดินจนกลมนี่ยังอยู่ในทางที่ถูกไหมครับ ถูแล้วถ้าเราใช้คำบริกรรมทำให้ใจเราทนอยู่กับความเจ็บปวดได้ก็ถือว่าใช้ได้อย่างนั้นก็ได้ผ่านความเจ็บปวดไปเป็นพักๆไดก้ก็ดีกว่าขยับตัวแล้วเริ่มต้นใหม่มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับได้เข้าไปรู้เรื่องทุจริตของคนกลุ่มหนึ่งเราควรแจ้งให้หน่วยงานนั้นทราบไหมครับถ้าเราแจ้งอาจทำให้เขาเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่แจ้งคนอื่นที่เป็นเหยื่อก็เดือดร้อนครับ ก็มันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าถ้ า, ามีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งเราก็แจ้งถ้าเราไม่มีหน้าที่เราก็หน้า แ, แต่เราอันนี้เราก็ต้องคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวเราด้วยครับทั้งกับผู้อื่นด้วยถ้าเขารู้ว่าเราไปพูดแจ้งเขาอาจจะอาฆาตพยาบามเราก็ได้เราก็ทำออกไปเป็นการกอดกำกอเวนกับทุกคนที่เขาเสียหายเดือดร้อนจากการแจ้งความของเราก็ได้ เพราะฉะนั้นมันแนวทางทำมันไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องไปแจ้งเรื่องของความผิดของคนอน่งไม่ใช่หน้าที่ของเราให้ปล่อยให้เป็นกฎแห่งกรรมไปก็ได้เพราะกฎแห่งกรรมจัดการอยู่แล้วถึงแั้กฎทางลูกอาจจะจับไม่ได้แต่กฎทางกรรมนี่จัดการแล้วโดยอัตโนมัติทำบาปปั๊บนี่มันเริ่มเข้าสู่อ บ, บายทันทีแล้วจะแจ้งหรืไม่แจ้งก็กรรมไม่สนใจนะกรรมกฎแห่งกรรมรับรู้ ท, ทันที ยังบาทีไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นจะดีกว่าถ้าเราไม่อยากที่จะเปิมตัวเราเองน่าจะทําให้เราต้องไปวุ่นวายกับเรื่องอาคาตพยาบาทของคนอื่นทำให้เราไม่มีสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราได้อะนับืมอันนี้ไม่ได้มีการเห็นแก่ตัวนะเป็นการเป็นการรู้จัก ร, รักษาตนเองคุณสัจจาครับ มงคลข้อที่บอกว่ามีบุญวาสนามาก่อนนี่คืออย่างไรครับก็คนที่เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนอย่างนี้พอาไว้นั่งสมาธิก็ง่ายนั่งห้นาทีจิตก็สงบอย่างที่เมื่อกี้ไล่าให้ฟังคุณแม่แก้วแม่ชีแก้วนี้เธอก็เคยปฏิบัติสมาธิมาก่อนมีสติอีกครับเพียงแต่ว่าเอามาเกิด น, นี้ไม่มีใครมากระตุน้นมาเกิดกับพ่อแม่ที่ยากจนก็สอนให้ไปทํามาหากินไป ท, ไทําไร้ไถนาแทน แทนที่จะสานให้มานั่งสมาธิแต่พอมาเจออาจารย์มั่นเข้าเธนหลอกไปนั่งสมาธิไปพูดโทไปเธอก็ไม่ทำตามที่อาจารย์มั่นสอนพอทาตามปับห้านาทีจิตของเธอก็สงบได้หรือพระพุทธเจ้าก็เคยปฏิบัตินั่งสมาธิมามากในอดีตชาตพอมาอยู่ในเหตุการณ์ที่เอือต่อความสงบก็จิตมันก็สงบเองได้เลย ตอนนั้นเป็นเด็กมันอยู่ประทับอยู่ใต้คนต้นไม้ตามลำพังพวกข้ารานบริพารที่คอยอ้อมร้องคอยนับใช้ดูแลพอดีไปติดภารกิจอย่า ง, ง่นได้ปล่อยให้พระองค์ประทับอยู่ตามลำพังอพอพระองค์อยู่ตามลำพังกายวิเวกจิตมันก็วิเวกขึ้นมาทันทีจิตก็สวบรึขึ้นมาทันทีโดยอาศัยอาศัยพื้นเพเย์วที่เคยเป็นมาก่อน ถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่คนเดียวเดี๋ยวก็เหงาแล้วเดี๋ยวก็บ่นนะทำไมหายไปไหนบ่นใช่ไหมนี่เป็นอย่างเนี้ถ้าเคยทําอะไรมาแล้วมันจะทําต่อเคยทําบุญแล้วก็จะทําบุญง่ายเคยฟังเทศความธรรมนั้นมันก็จะชอบฟวาเทศความธรรมเคยสนทนาธรรมอะไรนี้มันก็จะมันก็จะง่ายแต่ถ้าไม่เคยบางทียากจะฟังธรรมที่ก็ฟังไม่เข้าใจ มมกก็ไ่อยาจะันนคุณทิติชยาครับพระอาจารย์คะเราจะเห็นใจเราได้อย่างไรคะก็ฝึกสตินั่งสมาธินี่แหละทําจิตให้นวลแล้วจิตก็จะแยกออกจากร่างกายชัว่วคราวแล้วเราก็จะเห็นว่าออกจิตของเราเป็นอย่างนี้คือสักแต่ว่ารู้ตัวรู้คุณปียพงศ์ครับการทําบุญกับทําทานแตกต่างกันไหมครับ อันเดียวกันคือเราใช้ภาษาแบบแทนกันความจริงก็คือการทำทานทำทานคือแปลว่าการให้ในการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านก็บอกให้ทำทานก่อนทานคือการให้ให้ของที่เราเหลือกินเ mm. หลือใช้ที่เราไม่จาเป็นที่ที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราให้ไปของที่เหลือใช้เ mm. หลือกินที่เราที่สามารถเราไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เช่นเงินทอง เราเห็นที่ไหนเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเ้เาก็ไปช่วยเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้แตให้ที่ไหนก็เหมือนกันให้กับวัดก็เป็นการทำทานให้กับผู้ครองเรือคาราวาสผู้คลองเรือก็เป็นการทำทานเป็นกอเป็นการให้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขามาแยกกันว่าถ้าให้กับทางวัดทางพระนี้ต้องเรียกว่าเป็นการทำบุญไม่ใช่เป็นการทำทาน ส่วนถ้าให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่เป็นวัดก็ถึงนีเรียกว่าเป็นการทําทานไม่ให้ทานแต่ละความจริงแล้วบุญกับทานนี้มันเป็นเหตุกับผลนะทานนี้เป็นเหตุก า, การการกระทําคือการให้นี่เป็นเหตุให้แล้วก็เกิดผลคือความสุขใจความสุขใจก็คือบุญเมื่อทําทานแล้วเราก็จะได้บุญเมื่อให้ทานแล้วเราก็จะได้บุญคือความสุขใจอิใช่ ต่างกันตรงนี้แต่ภาษาคนไทยเราชอบมาใช้กันปนกันไปหมดแทนกันอยู่เลยก็เลยบาทีคนที่ไม่ได้ศึกษามาก็เลยงงว่ามันหมายความว่าไงแล้วบางทีคนที่ไม่รู้ก็มามาสอนแบบไม่รู้ว่าอถ้าทําทํากับไหว้ก็ต้องเรียกว่าทําบุญถ้าทํากับกขวัญคาว่าด้วยด้วยกันก็เรียกว่าทำทานก็เลยหลายแบบและการมัเชื่อ แต่ควาจึงในการทำทานทั้งคู่นั่นได้บุญนั้งคู่ทำต่ไว้ก็ได้บุญทำกับองค์กร ก, การกุศลต่างๆก็ได้บุญหรือไม่ได้แต่ทำกับสัตว์่ะสัตว์เดยราชาก็ได้บุญเป็นไปถ่ายวัวถ่ายโคถ่ายชีวิตของสัตว์ปล่อยนอกปล่อยปลานี่ก็ได้บุญเหมือนแต่เราไม่นิยมใช้คำว่าบุญกับสิ่งเหล่านี้เราเดียว่าทำทานคเข้าใจเลยครับคุณธนะเดชครับ มงคลสามสิบแปดประการนี้เป็นหลักคําสอนใช่ไหมครับก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนจากพระโอรสเลยเรียกว่าพระอรสเนี่ยก็มีอะไรนะธรรมธรรมะจากพระโอรสเนี่ยที่เขาธร ว, วจนะอย่างนี้แหละครับธรรมว จ, จะนะอันนี้แหลเป็นธรรมว จ, จะนะพระสูตรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพระสูตรพระสูตรมีเย อ, อ, อ, อะแยะเลย ทำรรมาจากกับประวัติศาสตร์นี่ก็เป็นคําสอนของพระเจ้าเหมือนกันคุณการชาทตาครับขอมุมมองที่ดีในการมีบุตรจากพระอาจารย์ค่ะไม่มีเลยมีแต่ทุกข์ <c oughs> อย่าไป ม, มีเลยถ้าไม่จาเป็นจริงๆอย่าไป ม, มีเลยพระเจ้าบอกเป็นบวงบวงรันเราให้เราติดอยู่กับการเป็นผู้คลองเือนไปจะไม่มีโอกาสที่จะได้ออก ปฏิบัติเพื่อหุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดันไม่มีเลยมีแต่ทุกข์มีลูกก็ทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เขาเกิดมาเัียงดูเขาจนต่อก็ทุกข์อีกอัดีไม่ดีมป็นจะลูกในระับคนก็ทุกข์อีกมีแต่ทุกข์ทนั้นไม่มีสุขเลยคุณวีนาครับ เรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้ามีใครโดนทําลายร่างกายหรือถูกชิงทรัพย์แสดงว่าคนนั้นไม่มีมงคลใช่ไหมคะเพราะทําให้จิตใจไม่มีความสุขและควรแก้ไขอย่างไรคะก็แสดงว่าเขามันเป็นเรื่องเหตุการณ์ปกติในโลกทุกคนที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้ก็ต้องเจอต้องเจอความทุกข์บ้างเพราะมันเป็นโลกธรําเราเจอความสุขจากรูปเสียงเกิดบางทีเราก็เจอความทุกข์จากรูปเสียงเกิด รูปเสียงกินลดผลทว่าก็คือคนที่มาทําร้ายเรานี้ก็เป็นรูปเสียงกินรถผลทว่าเหมือนกันเราเห็ น, กกนรูปเขาเห็นหน้าตาเอาเราได้ยินเสียงเขาแเราได้สัมผัสกับกาลังที่เขาเอาเอ า, เ อ, าเอาวุธมาทําร้ายร่างกายเราอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องของของโลกกระทำมีสุขก็ต้องมีทุกเป็นธรรมดาไม่เกี่ยวกับว่ามีมงคลแล้วไม่มีมงคล มนแต่บ้านร้านบางองค์ท่านก็ถูกฆ่าถูกฆ่าตายก็มีมันก็ถือว่เป็นโลกกระทำไปไม่ใช่เป็นเรื่องของมองคลหรืไม่มงคลไม่เกี่ยวกันไม่เพราะจิตใจไม่ได้ไม่ได้ถูกทําลายสิ่งที่ถูกทําลายก็คือร่างกายคุณแคทครับผู้ที่อยู่ทางโลกโดยเฉพาะผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะเป็นโสดาบันได้เจ้าคะโดยที่ถือศีลห้าตลอดและไม่ได้ร่วมหลับนอนกับสามีเลยครับ เราก็นั่งพยายามฝึกสมาธิให้ได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบก่อนแล้วก็ต่อไปก็สอนใจให้ให้หมองว่าร่างการนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนกับต้นไม้ต้นหนักที่ใจได้มาได้มาครอบครองเป็นสมบัติชั่วคราวร่างการนี้เหมือนกับต้นไม้นะทำมาจากปัจจัยมาจากธาตุสีเหมือนต้นไม้เลยต้นไม้ก็ต้องมีธาตุสีมีดินน้ามีลมมีไฟ มันถึงจะเจริญติบโตเป็นต้นไม้ขึ้นมาได้ร่างกายของเราก็ต้องมีธาตุสี่มันถึงจะเจริญเติบโตมีเป็นอานกาศสารสิบสองขึ้นมาได้ร่างกายนี้ต่างตรงที่ร่างกายมีจิตใจมาเกาะมาเกาะติดนล้วมาเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําะไรได้เท่านั้นนอกจากนั้นก็เหมือนกันให้มองอย่างนี้นนนนหนนให้มองว่าร่างกายนี้ไม่มไม่ใช่ตัวเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกขึ้น ม, มาต้นหนึ่งแล้วเราก็ดูแลต้นไม้นั่นไป แต่ด้วยความรั่งได้ความหวงบางทีเราก็ไปทุกข์กับต้นไม้ที่เราปลูก <loc> um. ใช่ไหมน <Alberto> ั่นก็ว่าเร า, น, เรานิสัยเราชอบไปยึดไปติดไปไปถือว่าเป็นของเราขึ้นมาซึ่งเราควรจะเลิกถือว่าร่างกายนี้เป็นของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าเรามองร่างกายว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเราไม่ค่อยทุกข์กับเราเท่าไหร่ดังนั้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายของเราเราก็ต้องไม่ถือว่าร่างกายนี้เป็นเราของเรา เป็นของเดินาน้ำลมไฟซึ่งวันหนึ่งเดินน้ำลม ไ, ไฟก็จะเอากลับขึ้นไปครับถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็เป็นโสดาบันได้ถ้าปล่อยวางร่างกายนะไม่ไปทุกข์กับร่างกาย ไ, ไ, ม, าายไม่ต้องไปกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายคุณเอดาครับ การฝึกสติสมาธิพิจารณาตายลักษบ่อยๆต้องให้ได้ระดับใดจิตจึงจะมีกําลังพิจารณาตายลักช่วงกําลังตายได้เพราะส่วนใหญ่จิตจะอ่อนเวลาใกล้ตายไปตามแรงบุญบาปครับก็ต้องระดับที่ได้ฌานสี่ขึ้นไปสามารถเข้าฌานได้ได้อัปปนาสมาธิแล้วก็จะมีอุเบกขาที่จะสามารถใช้จิตนี้ไปพิจารณาอันนี้จากทุกขังหน้าตาของร่างกายแล้วปล่อยวางได้ คุณประภ พ, พรครับอยากไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่วัดแต่ความกลัวผุดขึ้นตลอดเช่นกลัวผีกลัวเสียงที่ไม่รู้จักควรวางจิตยอย่างไรเจ้าคะปัจจุบันทําอยู่ที่บ้านจะไม่ค่อยกลัวรู้สึกปลอดภัยกว่าคะ่ะก็คงจะต้องอาาฝึกจิตให้มีเบญขามากขึ้นฝึกสตินั่งสมาธิให้มีมากขึ้นนมันส า, ามารถที่จะระงับดับความกลัวได้แล้วค่อยไปถ้าไม่งั้นไปก็จะมีแต่ความกลัวมาหลอกหลอน จะทำให้ไม่มีไม่มีกติกาใที่จะปฏิบัติทําได้เังนั้นต้องมีสติระดับที่พอที่จะควบคุมความกลัให้ได้ก่อนเช่นสมมุติถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็สามารถบริกรรมพุทโธพุทโธจนสามารถทําให้ความกลัวนั้นหายไปได้ก่อนถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วถึงจะไปอยู่ปฏิบัติที่น้ากลัวได้ใน่งั้นเดี๋ยวสติแต่ ไปอยู่วันก็ไม่มีอะไรพอเห็นผีเข้ามาก็มีมีญาติโยมคนหนึ่งมาขอขึ้นไปอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บนเขาเนี่ยครับ <Okay. S 1> มาตอนบ่ายแล้วพอสองทุ่มลงมาบอกเร า, าขอกลับบ้านนะบอกไม่รู้ว่ามีอะไรรลอนเหเห็นอะไรเต็มไปหมดเลย <Okay. S 1> <laughs> นั่นแหละเขาอยู่ไม่ได้เพราะสติไม่พอที่จะระงับความกลัวเวลาเกิดขางกลัวปรากฏขึ้นมา เขาบอกผมต้องไปฝึกมากกว่านี่ถึงจะมาปฏิบัติบนเขาได้อผมก็นึกแต่บอกป้าจารย์บอกว่าผีจริงไม่หลอกผีหลอกไม่จริงกระจายแล้วข้าบนมันมีที่ไหนเราอยู่มันต้องกี่ปีแล้วถ้ามันมีก็เราก็อยู่ไม่ได้ถ้ <c oughs> าพระที่อยู่บนเขาก็อยู่กันไม่ได้ถ้ามีผีจริง <c oughs> ครับ แต่ก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับพอาจารย์ก็น่าจะผีหลอกแน่เยาจะจับตัวพีจริงมาให้ดูได้ทักคนช่วงปีใหม่ก็มีเรื่องเล่าอยู่ครับอาจารย์ก็มีคนเกิแล้วคุณอเนกชาติครับเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์แล้วแต่ยังไม่ปล่อยวางเพราะยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเรายังไม่เห็นกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา เรายังไปยึดติดแล้ เ, เป็นของนาวเราก็เลยรักนิรไิ่ห่วงยิ่งรักยิ่งห่วงยิ่งทุกข์ใหญ่สังเกตดูแต่อของอะไรที่เราไม่รักไม่ห่วงนี่เราไม่ทุกข์กับมันนะของที่เราทิ้งแล้วขยะนี่ใครมาขโมยไปเราไม่ไม่ทุกข์กับมันนะแต่ของอะไรที่เรารักเราหวงนี่แต่แม่ไม่ใช่เป็นร่างกายเราก็ตามเป็นของเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเราไปรักไปหวงมันเนี่ยพอมันหายไปนี่เราจะทุกข์มากความทุกข์ของเราเกิดจากความรักความ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปรักอย่าไปห่วงมีผู้ชมต่างชาติกับอารย์ o k When meditating I saw myself not necessarily as human form at the edge of a big abyss which was completely black d k but still I wanted to step or jump in but something held me back why could this be I did not feel fear at all, and the abyss looked inviting. Thank you. The hesitation may maybe come from your caution. You might you might have might have second thoughts before decided to do what you wanted to do in the first place. So you still have second thoughts. That's all it is. And what you see is just a a vision produced by your mind, by the mind itself. So it it has no really Uh, no, no reality in it. It's just like a dream. And your reaction indicates the state of mind of you, of your, of yourself. Whether you, what kind of decision you would like to take. So it indicates that you're not ready to take the jump yet. That's all. So don't worry too much about it. Once this past is gone, it's just. Considered like watching a movie, it's gone and it has no bearing on on on on your your yourself. e x c e p t it in might indicates that your mind still have some hesitation when you have to decide to do something, and you still are not able to to to do as you wanted to do. ค u n t a n y a k ร a p จะรู้ได้อย่างไรว่ามีความก้าวหน้าในการฝึกสมาธิครับก็จิตสงบง่ายขึ้นเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นท่านเราเนีมีความสุขมากขึ้นจากการนั่งสมาธิคุณมาริสาครับขอความเมตตาครับเรื่องคนสมัยนี้ชอบโชว์ไลฟ์สไตล์ที่หรูหราต้องดีต้องมีมากกว่าเหนือกว่าคนอื่นทำให้เป็นตัวอย่างของความไม่อิ่มไม่พอขอความเมตตาจากพระอาจารย์ ให้ข้อธรรมเพื่อเตือนสติเจ้าค่ะก็มันเป็นยุคของกิเลสนะมันเป็นยุคของความหลงที่หลงไปคิดว่าการมีของหรูหรามีของแพงๆนี่เป็นคุณสมบัติเป็นความเลิศประเสริฐของตนเองแต่ตามความเป็นจริงแล้วมันมันเป็นของเป็นเหมือนเกลือกที่เรามาบุ่มห่อของที่สุกปรกลบลงล้ำทั่นนี้ เพราะใจของเราเนี่มันไม่มีคุณธรรมความดีงามเลยพราะคนแบบนี้มากใจ ม, มีความเป็นมีแบบความคิดเห็นแก่ตัวทํำลายเพื่อตอนเองแล้วถ้าบางทีบางครั้งอาจจะทําทําด้วยวิธีที่ไม่ชอบเช่นหลอกนวงเนี่ยที่เราเห็นก็ถ่ายถ่ายเนี่ยความจริงมันเป็นขางจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> บางคนเอาเันมามาม า, มานับเป็นเป็นเปิกเปิกเนี่ยอาจจะเป็นการเจ๊ก็ได้ใครจะไปรู้ว่อะไร แม้นเพชรที่เขาใส่อย่างรถที่รถหรูหรานี่อาจจะไปเช่าเข้ามาถ่ายก็ถ่ายคลิปก็ได้นี่เขาบางทีเขาต้องการจะสร้างภาพเพื่อหลอกคนโง่เพื่อที่จะจล่อให้คนโง่ที่มาทําอะไรให้กับเขาอย่างใดอย่างนี้ให้เขาได้รับผลประโยชน์จากจากจากการโฆษณาหเหล่านี้ <Okay. S 2> แค่เวลาดูของพวกนี้ให้ระมัดระวั่ามันไม่ใช่เป็นของจริงแล้วอ๋อถ้าเป็นของจริง คนท่มีจีก็ไม่มาอวยหรอกเขากลัวโนถูกป้นถูกที่คนที่มาอวยนี่สัญญาของตองเลอเนียกองทองคำที่มากรถ เ, เกล็ดเพชรเกล็ดธนบัตรก็ธนบัตรเกลค น, ท, นที่เขาไปอวยเามีเวลาเขาทาถ่ายอย่างนี่ก็มีเงินธนบัตรเกล็ดมามาใช้กันเถามว่าไปสั่ซื้อมาได้ธนบัตรเกี่ยต้องการเท่าไหร่ก็สั่งมาได้ต้องการกิบเปล็ดก็ซื้อมาได้ นั่นก็เราไม่เห็นกับตาไม่ได้พิสูจน์กับตาว่ามันเป็นของจริงก็ให้ดู้ว่าเป็นละครก็แล้วกันอย่างที่เขาแสดงนั่เนี่ยมันเป็นละครเขามีเป้าหมายอย่างไดอย่างหนึ่งในการทําแบบนี้ซึ่งไม่เป็นเป้าหมายที่เพื่อเพื่อให้เขาได้ผลประโยชน์เท่า น, น, น, นั้นเองไม่ใช่เขาไมอยากจะมาโอ้อวด่อความนํางความรวย คุณเอกชัยถามคล้ายๆเมื่อตกี้นะครับบอกว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าครับก็นั่นแหละก็ใจเรามีสติมากขึ้นใจเราก็ควบอารมณ์ได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็น้อยลงเมื่อก่อนในอาการชุนเฉียวหรือเป็นเดือนเป็นแค้นได้อย่างไม่ได้ก็รู้สึกเย็นลงนะเวลาจะฉุนเฉียวก็มีเวลาที่จะคววิ่ควรว่าควรจะทํำยังไงนี่ท่านลองเอง ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผลคมที่เรามีความเข้าวหน้าในธรรมธรรมใจเราเย็นลงใจเรามีความเมตตามากขึ้นความเห็นแก่ตัวน้อยลงเป็นต้นคุณอาทิตย์ครับมีเรื่องผิดใจทะเลาะกับแม่แต่ไม่อยากผิดสีเรื่องวาจาอีกก็เลยเลี่ยงไม่พูดเลยดีกว่าแต่พอไม่พูดก็เลยไม่มีโอกาสปรับความเข้าใจทําให้ใจกังวลว่าเป็นลูกอากาศันยูครับ ขพูดแต่พูดได้แต่ต้องรอเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ต่างฝ่ายต่างมีความสงบใจไม่มีอารมณ์อารมณ์ดีก็ลองพูดได้บอกพูดด้วยความเคารพขออนุญาตข อ, อขออธิบายเรื่องที่ที่อยากจะให้ทําปรับความเข้าใจให้เข้าใจก็ขออนุญาตก่อนถ้าคุณแม่เขาไม่อยากฟังก็ก็พูดไม่ก็ไม่ต้องพูดถ้าคุณแม่เขาเยินดีอยากฟังก็พูดไป แค่นั้นเอันนี้ไม่เกี่ยวกับเป็นอาคตันยูหรือแม่คตันยูคตันยูอยู่ที่การกระทธรถ้าเราไม่มีความว่าไม่มีไม่ตอบแทนนุนคุณของของบิดามารดาอันนี้เราถึงจะเรื่องอาคตันยูไม่ดูแลท่านไม่รับใช้ท่านเวลาท่านเดือดร้อนท่านต้องการความช่วยเหลือก็ไม่ดูแรอันนี้ถึงจะเรียกว่ากระทธรรมแเรื่องกทะเลาะกันนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนอยู่ร่วมกันที่บางครั้งก็อาจจะพังเผอ ไม่มีสติพอที่จะยับยั้งก็เลยเกิด ก, การตอบโต้กันไปทั้ง น, นั้นเองท่าไม่รู้ว่าผิดก็ไปขอขอเข้ามาแ ล, แล้วกันเราเป็นผู้น้อยก็ไปกราบขอโทษท่านก็หมดเรื่องอย่างนี้ก็แสดงว่าเรามีความเคารพมีความกตัญญูกับท่า น, นคุณนิตยาครับขอเดินถามว่าถ้าเราฝันถึงผู้ตายเราควรทําบุญให้เขาอย่างไรคะก็ทําบุญกับพระนี่แหละที่พระเจ้าสอนก็ให้ทำบุญ ไว้สังฆทานถ้าไม่ใส่บาตรอะไรทำนองนี้รูปจั่งเงินเข้าวัดก็ได้ะถ้าไม่สะดวกโอนเงินเข้าวัดก็ได้เป็นวิธีทาําบุญที่ง่ายดีถ้ารู้จักบัญชีของวัดว่ามีชื่อหมายเลขอะไรก็โอนไปเลยเสร็จแล้วเราต้องุดที่บุญได้เลยสะดวกที่สุดรวดเร็วยุค ย, ยุคเ<อ>จริญทำบุญแบบยุคเจริญครับทำบุญแบบออนไลน์เลยนะครับอาจารย์คุณซีดครับ ถ้าเราพยายามละอุปัติเลสและปฏิบัติตามมงคลสูตรแต่ไม่ได้เอาจิตไปอยู่กับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันตลอดเวลาจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไหมคะคือมงคลสูตรมันก็มีหลายระดับหลายขั้นไงขั้นแรกได้ก็ไม่ต้องปฏิบัติแบบต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอันนี้มันหมายถึงขั้นสูงแนละ้วขั้นที่เราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมแล้วขั้นที่เรา อาจจะหยุดทํางานแ ล, แล้วก็เอาไปอยู่วัดแล้วอันนั้นนถึงจะให้เจริญสติอย่างอย่างต่อเนื่องท่้งวันแต่ถ้ายังเป็นคาราวะาผู้ปกครองอยู่เป็นไปไม่ได้เราเป็นคารวะก็ทําได้แค่ทำบุญทำทานแล้วก็มให้มีความเมตตากับเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมโลกกันเท่าที่จะทําได้ไปก่อนให้รักษาศีลห้าอย่างนั้นไว้ไปก่อนทำนรง น, นี้หรืออาจจะมีสติมากก็เท่าที่จะ ถ้าที่จะทําทได้อาจจะไม่ได้ทําตลอดวันตลอดเวลาอาจจะทําในช่วงที่สะดวกเช่นตอนที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเตรียมตัวไปทํางานตอนนั้นเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครแล้วก็ฝึกสติได้ในช่วงนั้นรอบดูการเคลื่อนไหวของร่างกายกําลังอับหน้ากําลังล้าหน้ากํ า, ากลังแปลงพันข้าให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่อย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้บนอถึงเวลาจำเป็นจะต้องคิดต่อห้คิด ช่วงที่ยังไม่ต้องคิดก็ให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของของการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปก่อนจนกว่าจะเจอคนแล้วต้องคุยเอะครับตอนนั้นก็าจจะอาจจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ได้แล้วก็ให้ดูการสนท น, นากับการปฏิกริยากับคนว่าเราเราเรามีความเมตตาหรือปเปล่าเนือว่าเรามีอาการชุนเฉียวมีอาการไม่ดีอยแบบนี้ไปก่อน คุณแอร์ครับนั่งสมาธิบริการพุทโธพุทโธบางครั้งเหมือนตกใจง่ายมีเสียงอะไรดังหน่อยก็สะดุ้งใจหล่นแบบนี้กำลังสติไม่พอใช่ไหมคะแต่ก็ยังพยายามพุทโธไปเรื่อยๆครับกับขอคำแนะนาจากพระอาจารย์ครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าสติพอแล้วมันก็จะมันก็จะเฉยได้อันนี้ใจยังสกัดขาดเบคามากวาลัยมากระทบหน่อยก็สะดุ้งขึ้นมาทันที อาจารย์คคนที่สะดุ้งอะไรยากๆนี่สแสดงว่ามีกำลังของสติอยู่ขอสมมตใช่มีสติมีรู้มีคานมากครับคุณทิติชยาครับเห็นข้างนอกเป็นของสมมุติเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เราไม่รู้ถือเป็นคนมายาให้มองเป็นอากาศมองที่ตัวเราเองพอว่ามีความอยากอะไรแบบนี้คือการพิจารณาตัวเราเองหนูคิดถูกไหมเจ้าคะ่ะก็เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่งคือดูตัวเราเอง ดูความบกพร่องดูตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วพยายามตัดมันให้ได้ก็คือความอยากต่างๆนั่นเองส่วนสิ่งต่างๆที่เราไปอยากมันก็เป็นของสมมุติเท่านั้นเป็นของอันนีจ้จะเป็นของของชั่วคราวเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเหมือนฟองน้ําป็นอะเหมือนเหมือนอากาศก็ได้ก็เถื่อนนะลองทุกสิ่งทุกอยาก่างที่ที่ใจไปอยากได้ว่าเป็นเหมือนอากาศเป็นเหมือนฟองน้ําไม่มีสาระคุณประโยชน์ต่อจิตใจแต่ยางดและไม่สามารถ เก็บข้อคอเอาไว้เป็นสมบัติได้ไป็นตลอดคุณประมพงศ์ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมสามารถจเจริญเมตตาเป็นวิหารธรรมคู่กับอานาปานสติและคําปริกรรมได้หรือไม่ครับคือเวลาที่เรานั่งสมาธินี่เราต้องเลือกเอาอย่างไดอย่างหนึ่งไม่ใช่อะไรหลายอยางปนกันช่วงช่วงนั่งสมาธิ สัญนใหญ่ก็จะนิยมใช้อนาปนานสติเพราะเป็นการจะงกาสติที่เหมาะกับการนั่งสมาธิที่สุดแต่ช่วงอื่นเช่นเวลาที่เราพบปะกับคนนี่เราก็ให้จังกาเมตตาเจอใครก็ให้แผ่ความสุขให้กับเขายิ้มให้กับเขาทักทายเขาพูดจาวาจาด้วยวาจาที่ไพเราะสุภาพอันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาเวลาที่มีเรื่องเวลากันก็ให้อภัยกันเดี๋ยวไปถือโทษก่อนเคิร์กัน อันนี้ก็ใช้เมตตาเป็นเป็นหลักเวลาที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนต่างๆแต่ถ้าเราเวลาเราอยู่คนเดียวนั่งสมาธิเราก็ใช้อนาปนานสติแทนคุณตะวันครับการที่เราเจอปัญหาต่างๆแล้วมีคนบอกว่าดวงไม่ดีต้องไปเสริมดวงไปแก้ดวงต้องจ่ายเงินเพื่อเสริมดวงได้จริงหรือเปล่าคะไม่จริงหรอ ปัญหาเกิดจากความอยากของเราต่างหาะถ้าเราไม่มีความอยากก็ไม่มีปัญหาหรอครับเข้าใจไหมใช่ครับแล้ไม่เกี่ยวกับดวงเดยวเราเกี่ยวกับความอยากเรายิ่งอยากมากยิ่งปัญหายิ่งมากยิ่งมีอะไรมากมันก็ยิ่งมีมากเรื่องมีรถก็ต้องมีปัญหากับรถใช่ไหมมีแฟนก็ต้องมีปัญหากับแฟนมีลูกก็ต้องมีปัญหากับลูกมีอะไรก็ต้องมีปัญหากับสิ่งที่เรามีนะั ถ้าไม่มแล้วมันจะมีปัญหากับอะไรครับคุณพัตรัครับการที่เราตั้งสัญญาไว้ว่าอาการที่เกิดขึ้นทางจิตนั้นไม่จีรังยั่งยืนเกิดแล้วดับพยายามรู้อยู่กับสัญญานี้โดยมีสี่ห้าเป็นเครื่องอยู่ควรปฏิบัติต่อไปหรือต้องแก้ไขอย่างไรครับคืออันนี้เกิดขึ้นกับทางจิตนี้มันก็แล้วแต่ว่าเรา เราเราทำใจได้หรือเปล่าเวลาเราเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยเราปล่อยให้มันเกิดระดับเองได้หรือเปล่าหรือว่าพอเกิดความโลภแล้วมันเดือดปันปวดแล้วมันเกิดระดับพรอยากจะกินอะไรอยากจะเดือดอะไรก็ไปความมากไปเลยอันนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ดูอาการของจิตแลนะตอนนั้นเพราะฉะนั้บางทีการดูจิตนี่มันหลอกเราไม่อยา่างมหลอกเราหลอกเร า, เราให้เราดูตอนที่เราตอนที่เร า, าสามารถดูมันได้ แต่ตอนที่เราไม่สามารถดูมันได้เราไม่เราไม่รู้หรอรกว่าหลาไม่ได้ดูมันเลยใช่ไหมที่เราโลภอยากได้อะไรปั๊บนี่ความเปิดตู้เย็นปั๊บคว้าอะไรมากินปุ๊บทันทีเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นมันก็เป็นอาการของจิตอย่างนี้คือความอยากกินอยากกิ น, อ ย, กนอยากดืนอยากดูอยากฟังอะไรนี้มันเป็นอาการของจิตเท่านั้นแต่เรามองไม่เป็นกันนั่นการที่จะปฏิบัติเพื่อดูอาการของจิต น, นี้ยังไม่ถึงเวลาทําทำไม่ได้ ถ้าเรายัางอยู่จิตไม่ได้อย่าไปดูอาการของจิตให้เสียเวลาว่าการดูอาการของจิตเพื่อหยุดอาการที่มันไม่ดีที่มันสร้างความทุกข์ให้กับจิตนี่ก็คือความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่เวลามันเกิดขึ้นมานี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีอุเบกขาพอที่จะหยุดมันนี้อย่าไปดูจิตให้เสียเวลามันไม่ดูหรอกเวลานั้นเวลาที่กิเลสมันออกมานี้มันกิเลสมันปิดตาเราทันทีไม่ให้มองตอนนั้นให้เรามามองตอนที่กิเลสมันได้ของที่มันอยากได้แล้ว แล้วก็หวังว่า โ, โ, โลกนี้อยากซื้อมัดีกว่าเสียตายเสียดายต่างๆงั้นอย่าเพิ่งดูจิตการสอนให้คนดูจิตนี่หมายถึงคนที่อยู่ในระดับที่มีสมาธิแล้วมีสติที่จะหยุดหยุดความคิดได้หยุดหยุดอาการกต่างๆของจิตได้แล้วถึงค่อยค่อยดูจิตได้ถ้ายังไม่มีอย่าไปดูให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์คุณมาริสาครับ มนุษย์หลายคนทำบุญเยอะเพื่อเมื่อตายไปแล้วแต่อยากไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าแต่เทวดาเมื่อจุติแล้วอยากเป็นมนุษย์อ๋อนี่น่าจะคอมเมนต์ครับาจคุณบีนาครับกลับขออนุญาตเรียนถามว่าคนที่ทำบาปผิดศีลจำเป็นต้องไปรับผลกรรมเมื่อเสียชีวิตเท่านั้นไหมคะแต่ถ้ายังมีชีวิตยังไม่สามารถรับผลบาปใช่ไหมคะก็รับได้เนี่ยบางทีทำบาปแล้วก็ไปติดคุกติดตารางในข้าก้อนนั้นก็ถูกเขาจับ จะไปลงโทษได้อันนี้ก็เป็นทุกข์ในขณะโทษในขณะที่มีชีวิตอยู่ซึ่งโทษในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้แล้วแต่บางคนก็มนีหลบหนี้ได้ไปอยู่ต่างประเทศได้เขาก็ไม่ตามไปจับโทษก็ไม่เกิดแต่โทษทางใจมันก็มีคนที่ไม่สามารถกลับมาบ้านได้มันก็มันก็ทุกข์กับกับความที่อยากจะกลับบ้าน แลส่วนส่วนผลทางทา ง, ทางจิตใจหลังจากตายไปก็ยังมีอยู่ต่อไปก็ยังต้องไปใช้ใช้กรรมไปเกิดอธิบายต่อนั่นมันมีหลายมันมีทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และในขณะที่ตายไปแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้บางส่วนเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้หลบหนีได้แต่บางส่วนแล้วก็หนีไม่ได้คือความไม่สบายทรรใจคนที่ทํำผิดแล้วมักจะมีความหวาดหวาดกลัวมีความหวาดระแวง คุณปาริชาตครับก่อนหน้านี้หนูปฏิบัติภาวนาทุกวันซึ่งได้เห็นผลของการฝึกสติปัญญาที่สะสมไว้มาใช้ในช่วงนี้ตอนนี้หนูใช้เวลาและพลังงานหมดไปกับการดูแลคุณแม่ที่ป่วยจากอาการทางสมองท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไม่สื่อสารค่ะแต่หนูก็มีจิตที่มีสติมากแต่การที่ขาดการภาวนาเพราะความเลยอ่อนทําให้สิ่งที่หนูฝึกมาก่อนหายไปไหมคะขอพระอาจารย์แนะนําด้วยค่ะถ้าไม่ฝึกมันมันก็หายได้เพราะมันยังเป็นธรรมในระดับที่จะระง่ายเสื่อมได้ ดั้นก็พยายามฝึต่อไปให้ได้พยายามรักษาทำที่เราได้สร้างขึ้นมาอย่าให้มันถดถอยไปเพราะยังไม่มันยังไม่ได้เป็นธรรมที่ถาวรยังไม่อยู่เข้าขั้นของพระอริยบุคคลยังเป็นธรรมของปุถุชนอยู่ธรรมของปุถุชนไม่ว่าจะเป็นสติสัมมาทิสมุปญญานี่มันยังเสื่อมได้คุณซีครับ ตั้งแต่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังธรรมอภิษาจากครูบาอาจารย์และฝึกมีสติดูตามจิตใจตัวเองในนับวันรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีไม่ชอบตัวเองและไม่ชอบความรู้สึกที่เกิดขึ้นบ่อยๆนี้ควรทําตัวทําใจอย่างไรครับก็ไม่ามารทราบว่าทําไมไปถึงไม่รู้ว่าตัวเองไม่ดีถ้าไม่ดีก็แก้ไขสิการเที่ยงความไม่ดีของเราก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นประโยชน์อย่างหนึง่งเพราะคนเราจะดีได้ก็ต้องรู้ดหัวชุด ว่าเราไม่เราไม่ดีตรงไหนใช่ไหมถ้าเราไม่ดีตรงนี้เราก็แก้ไขไปได้ถ้าเราเป็นคนชอบโอกหกเราก็เลิกโกหกถ้าเราเป็นคนชอบขโมยเราก็เลิกขโมยเทนั้นเนองไม่น่าจะมีความไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราต้องยอมรับความจริงถ้าเราเห็นว่าเราไม่ดีจริงๆตามตามความเป็นจริงเราก็ต้องแก้ไขเราควรจะขอบใจได้ไทําบไหมว่านี่คือปัญญาเนี่ยการเห็นความบกพร่องของตนเนี่ยถือเรียกว่าเป็นปัญญา เพราะเมื่อเราเห็นความบกพร่องเราจะได้แก้ไขได้แต่ถ้าไม่เห็นความบกพร่องเลยเนี่ยอันนี้เราเป็นโมหะมากกว่าเป็นความหลงมากกะเพราะม่นมีการในโลกนี้แหละที่ไม่มีความบกพร่องไม่มีความไม่ดีเี่ยถ้าไม่มีความไม่ดีก็มไม่มาเกิดในโลกนี้หรอกคุณวิไลครับการเรียนถามพระอาจารย์การที่เรายึดไตรสรณคมเป็นที่พึ่งแต่ด้วยประเพณีปฏิบัติที่ยังต้องไหว้เจ้าสา ร, ระภูมิ ควรปฏิบัติอย่างไรคะผิดหรือไม่คะคือถ้าการไหว้นั้นไม่เป็นการไหว้เพื่อเป็นการเป็นกิริยาไม่ได้เป็นเกิดจากความเชื่อก็ไม่ผิดตรงไหนถ้าเรายังเชื่อในกฎแห่งกรรมอยู่ที่ตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เชื่อว่าดีเชื่ออยู่ที่การกระทําของเราส่วนการไหว้การานี้เนื่องจากเรายังอยู่ในสังคมของคนที่เข้าไหว้อยู่บางทีเราก็ต้องเข้าสังคมนะทําตามสังคม อย่างที่เขาบอกว่าเข้าเมืองเหลีวก็ต้องเหลีวดาตามตาเหลี่ยวด้วยกิริยาไม่ได้ไม่ได้เหลีวด้วยความเชื่อมั่นเอาไปเอาเป็นเอาจริงเอาเอาจริงออกจากเป็นกิริยาเนัเหมือนกันถ้าเราไปเป็นพูทธแต่เรไปโบสถ์เขาให้เราทําอะไรเราก็ทําตามเขาบอกตามประเพณีเพื่อไม่ให้เสียมารยาเท่านั้นเองถ้าทําแบบนี้ไม่ไม่เสียหายตรงไหน คุณคาริษาครับกบารเกาะความเกิดนาพระอาจารย์ชี้แนะแนวทางหลักการพิจารณาปัญญาเพื่อละสังโยชน้าข้อแรกค่ะว่าต้องใช้ปัญญาแบบไหนในแต่ละข้อครับคือสังโยชนี้ก็จะมาเป็นกลุ่มนะกลุ่มแรกจะมาสามสามด้วยกันคือสกายาทิฏฐิการไปเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราของเรานะแล้วก็การสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าเปจริงหรือไม่ แล้วก็การไปยุดติดกับวิธีแก้ความทุกข์ด้วยการทำพิธีกรรมต่างๆ <c oughs> อันนี้เรียกสีลับพตรระจักรพรรอันนี้เราวิธีแก้จริงๆเราไปแก้ที่ตัวแรกตัวเดียวคือสักกายทิฏฐิคือต้องพยายามสอนจิตหรือจิตให้แยกจิตให้ออกจากกายให้ได้ออกจากเวทนาให้ได้ ให้เห็นว่ากายกับเวทนานี้เป็นสภาวะธรรมเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับเสียงดังเวทนาก็เป็นเหมือนกับเสียงดังส่วนร่างกายก็แข็งเป็นวัตถุเหมือนต้นต้นไม้ไม่มีตัวตนมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีใครที่จะไปห้ามมันได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายมันจะเป็นอะไรมันจะเจ็บขึ้นมาก็คิดว่ามันเป็นการแสดงของของสภาวะธรรมที่ ใจที่มาค้อบครองนี้ไม่สามารถที่จะไปควบคุมมังคับมันได้ถ้าไปอยากไปควบคุมมังคับมันไปห้ามมันไม่ให้มันเป็นอะไรไปใจก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะเห็นเห็นอนุญาตสัจสีว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากที่อยากจะให้สิ่งที่ไม่ใช่ไม่เที่ยงมันเที่ยงคือร่างกายแล้วก็อยากจะไปควบคุมบังคับให้ร่างกาย เป็นไปตามความอยากของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติถ้าเห็นอย่างนี้ถ้าปล่อยวางความอยากได้หยุดความอยากได้เพราะรู้ว่าการจะไปทําให้น่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้เป็นไปไม่ได้เพราะบัลขัดหนันของธรรมชาติของร่างกายอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเห็นมีมรรคและมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นไตรลักษณแล้วก็ หรือว่าอยากให้ร่างกายเป็นตามความต้องการของใจไม่ได้ใจก็หยุดความอยากเสีิพอหยุดความอยากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากก็จะหายไปอันนี้ก็จะเห็นว่าสามารถที่จะดับความทุกข์ทางใจได้ด้วยการใช้สติใช้ปัญญาก็ก็จะเห็นอริยาาสัจสีมีดวงตาเห็นธรรม เห็นธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมาเห็นธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็จะไม่สงสัยผู้ที่ผู้ที่สั่งสอนว่ามีจริงหรือไม่มีจริงก็คือพระพุทธเจ้าและผู้ที่เห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือพระสวัสดิวันผู้ที่ได้บรรลุสวสดาวันนี้ก็คือผู้ปฏิบัติเองนั่นก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ก็จะหายข้อสงสัย เอาย่ข้อที่สองก็จะหายไปตามผลที่ได้จากการปฏิบัติละสัมยोชข้อแรกแล้วก็จะเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราเองและเกิดจากการกระทําที่ผิดคือการกระทํากระทําบาปต่างๆที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจในเวลาที่เกิดความทุกข์ใจเพราะเกิดความอยากเช่นทุกข์ใจเพราะเราเป็นโรคมะเร็งอเแล้วก็อยากจะให้หายมันกลัวตายไม่อยากตาย อันนี้ก็เลยวบางทีก็ไปแก้บนกันไปคอกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทําพิธีกรรมต่างๆนี่คือพวกที่คือพวกที่คิดว่าจะแก้ได้เวลาที่เกิดความไม่สบายใจที่เกิดจากเห็นได้เห็นหนึ่งเช่นความเสื่อมความทุกข์ของร่างกายความเจ็บไข้ที้ป่วยของร่างกายก็อยากจะให้หายก็ไปบนบานกันบ้างไปทําพิธีกรรมต่างๆนี่เรานีาก้กว่าเป็นศีลละพัฒนาปรมา แตาสำหรับพระโสดาบันนี่รู้แล้วว่าเรื่องความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากให้สิ่งสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปตามความอยากเม mm ื hmm. ่อมันเป็นไปไม่ได้ก็หยุดความอยากร่างกายมันจะเจ็บป่วยยังไงก็ต้องอยู่กับมันไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายไปแต่จะไม่ไปหาหมอดูไม่ไปหาวิธีสระเคราะห์ต่างๆเพราะนี้มันไม่ใช่เรื่องของเคราะครามันไม่มี เป็นเรื่องของอนิจจังอนัตตาของสภาวธรรมทั้งหลายผู้ที่มีดวงตจเห็นธรรมจะเห็นว่าสิ่งใดในการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ก็จะไม่ก็จะไม่มีไปประกอบพิธีอะไรต่างๆไม่ไม่แล้วก็ไม่สงสัยว่าบาปการรักษาศีลทำไมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรักษาเพราะว่าศีล น, นี้จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ทางใจ เวลาทำบาปแล้วใจจะทุกข์ถ้าไม่ทำบาปใจก็จะไม่ทุกข์ดงนั้นความทุกข์ใจนี้เกิดจากสองส่วนเกิดจากความอยากอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปนไม่ได้สองเกิดจากการกระทำบาป พ, พระอริยบุคคลค่อยเลยไม่รูปคําในสิ่งสิงลพัฒนตรปาลมากก็การรูปคําในสิ่งคือยังสงสัยว่ารักษาศิ่งไปทําไ ม, ไ, มได้ประโยชน์อะไรจากการรักษาศิ่งพระอริยบุคคลเนี เห็นว่าการรักษาสิ่งนี้มีประโยชน์มากเพราะจะดับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปได้และจะไม่สม่งจิตให้ไปเกิดในอบายต่อไปเอสุรดำมันก็เลยตัดปิดอบายได้อย่างถาวร อ, อย่างแน่นอนเพราะจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดถึงแม้จะต้องตายก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่รักษาชีวิตเพื่อเพื่อกระทําบาปด้วยการกระทําบาปเพราะมันได้ไคูณเสีย เพราะร่างกายในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีจะรักษามันยังไงไม่รักษาแต่ถ้าไปทําบาปเพื่อรักษาร่างกายก็จะขาดทุนทันทีก็จะดิ้นใจให้ลองตัดไปให้เกิดในอบายต่อเนี่ยสัญญาณสามข้อนี้มันจะมันจะไปด้วยกันทั้งสวงถ้าละสัญญาณข้อแรกคือละสัจกายกทิ่ถีได้มันก็จะเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นตายละมันก็จะเห็นพระพุพะทธธรรมประสงค์ ท่านกงอยาเห็นกดแ่งกลับคุณสิริพรครับเรียนถามอาจารย์ค่ะจริงหรือไม่ที่มีบางท่านบอกว่าทําบุญสิ่งไหนตายไปย่อมได้สิ่งนั้นครับไม่ใว่มาทําบุญสิ่งไหนตายไปหมายความว่ายง ไ, มย ไ, ไมผมเข้าใจ ว่าเหมือนกับมีคนบอกว่าจยางใจบาตก็ต้องใส่น้ําอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์แล้วก็ถ้าไม่ใส่น้ําจะไม่มีน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะนี้ไหมครับอาจารย์ครับเอามาถึพิ่งทำาแล้จะได้สิ่งนั้นจะอยากกินข้าวปลาปาก็ต้องทําบุญใส่ข้าวปลาไม่ใช่ครับบุญมันเป็นอาหารใจเวลาเราไปเกิดในในโลกที่เวลาที่เราไม่มีร่างกายบุนที่เราทํานี้มันจะทําให้ใจเราปลูกแต่ถึงอาหารที่เราชอบเอง เราจะฝันว่าเราได้รับประทานอาหารที่เราชอบโดยที่เราไม่ต้องถอยอาหารที่เราชอบเพื่อจะได้อาหารชอบเวลาที่เราไปสวรรค์นี้ไม่เกี่ยวกันนะวันที่มันจะผลิตเพราะใจเราชอบในมันก็จะคิดถึงอาหารเหล่านั้นเองขึ้นมาขณะที่เราเราฝันอย่างนอนหลับบางที่เราฝันว่าเราเราชอบกินหูปลาฉลามบางทีกเราฝันว่านี่ได้ไปกินหูปลาฉลามที่ร้านร้านา น, น, า น, นี้มันกจะฝันไปอย่างนั้น นั่นไม่ต้องไม่ต้องไปคือให้เวลาทําบุญให้คิดถึงคนรับอย่าไปคิดถึงคนให้เข้าใจผิดรู้อหเจ้าไปคิดว่าเอร า, าชอบอะไรก็ต้องให้อย่างนั้นกับคนที่เขารับบันทีคนที่เขารับเขาใช้ไม่ได้ไปให้เขาทาไมบางคนเสื้อเสื้อผ้ามาถวายพระเสื้อชุดเสื้อชุดขาวมาถวายพระไมนรู้วอยทอยพระเหมืนก็ถ ว, ถ, วาาถวายจีวรอย่างนี้ แล้วเร า, ารถามท่านด้วยจีวรท่านท่านขนาดเท่าไหร่เอใช้สีอะไรพรเดี๋ยวนี้เราสังเกตดู ว, ว่าแต่ละวัดเขามีสีที่ใช้ไม่เหมือนกันคบางที่เราชอบสีนี้เราไปถวายให้กับวัดที่เขาใช้สีนี้เขาก็ใช้ไม่ได้ครับแล้วเวลาาเวลาทําบุญให้กับใครนี้ต้องดูคนรับว่าเขาต้องการอะไรเขาขาดแคลนอะไรแลเวลาคุณหมอจะให้ของขวัญกับแฟนหรกับลูกที่นี่ต้องนึกคิดก่อนว่าเขาชอบอะไรใช่ไหม ใช่ครับไม่กล้าไปให้ในของที่เขาไม่ชอบใช่ไหมคุณหมอชอบแล้วเราไปให้เขาเลยคุณหมอชอบแล้วชอบบูธเราซื้อบูธไปให้เขาใส่นี่เขาจะใส่ใหรือเปล่าเขาก็ไม่เอาครับอืแล้ว <c oughs> เวลาทําบุญเนี่ยถ้าอยากจะให้มีความสุขใจเราต้องให้ของที่เขาชอบคนรับที่เขาชอบที่เขารับแล้วเขามีความสุขพอเราเห็นเขามีความสุขเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาในใจเราอีกทีนะึ่ง ถ้าเกิดไปเจอเขาหน้าเย้นี่เราก็ใจไม่ดีเลยทำไมเลยว่ามันไม่ไม่ดีเลยจเจ <laughs> ขอให้ทําทําทํามันทําในสิ่งที่คนรับรักเขาได้รับความสุขแล้วความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราจะฝังอย่างไงใจเราแล้วเวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาเราฝันเราก็จะฝันแต่เรื่องที่เราเราเราชอบได้สิ่งที่เราชอบมากลับมาไม่ได้เป็นสิ่งที่เราให้ไป สิ่งที่เราให้ไปมาจะไม่ชอบเราก็จะไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นก็ได้คุณก้องครับมารดาเป็นคนคิดมากเรื่องแบ่งสมบัติกลัวลูกจะไม่ดูแลจะพูดยังไงให้แกไม่คิดมากครับบอกว่าจะคิดยังไงก็เวลาไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีคบอกว่าเมื่อไปแล้วลูกเขาจะทํำไปยังไงแม่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีน่าคิดไปก็เหนื่อยไปเบ า, บา แต่ถ้าใ้รอยากจะคิดก็ห้ามไม่ได้เพราะของงนี้มันมันต้องหยุดด้วยตัวของตัวเองต้องหยุดด้วยสติด้วยถึงจะหยุดได้ถ้าใคอยากจะคิดก็ปล่อยให้คิดไปคุณจอร์จครับหากความตายมาถึงเราตอนนี้เราควรวางจิตอย่างไรถึงจะไม่กลับมาเกิดอีกครับก็เฉยๆไปวางมันตายมันไม่ไปไม่ไปมีความรู้สึก ทุกเลื่อเดือดร้อไปกับความตายคุณมาที่สาครับหนึ่งได้ฟังธรรมสองได้ปฏิบัติธรรมและสเพื่อบรรลุธรรมจริงไหมคะอาจารย์อ่ามันก็เป็นขั้นตอนก่อนจะปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้ ว, ว, วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนถ้าไม่ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติก็ไม่ถูกวิธีผลก็ไม่เกิดัจะให้ผลเกิดขึ้นก็ต้องศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องก่น มนุษย <itos> ์จักวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วก็นําออกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นสุปฏิปันโนนั่นก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆตามมาเราเรยกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวรในภาษาพระภาษาบาลีปริยัติคือการศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วปฏิบัติก็คือการปฏิบัตินำปฏิเวรก็คือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ คุณวันนียาครับคนที่ชอบหยิบของคนอื่นไปแล้วเปลี่ยนใจนําไปคืนแบบนี้ผิดศีลแล้วใช่ไหมคะแต่นําไปคืนจะทําให้บาปลดลงไหมคะไม่หรอกถ้าก่อไปคืนมันก็มันก็ลบบาปได้ครับว่าจะอาจจะหยิบผิดไปก็ได้แล้วพังเผยขี้ว่าเป็นของตอนเองพอมันรู้ที่เอาไม่ใช่ของเราเข้าไปคืนเขา อ, อย่างก็ไม่ไม่บา ถ้าตั้งใจนี่มันก็บาปแต่บาปแล้วถ้าตั้งใจไปคืนมันก็มันก็มันก็ไม่บาปมันกมันก็ลบล้างกันไปได้คุณวันเพ็ครับกลับเรียนถามว่าญาติที่ต่างจังหวัดบอกวัตถูกแบงค์ฟองล้มละลายบอกว่าล้มบนฟูกเพราะกู้เงินมาแล้วไม่ชําระ ด, ด อ, อกเขาเอาเงินไปทําธุรกิจสีเทาลูกเตือนแล้วไม่ควรทําแบบนี้เขาไม่เชื่อเขาตั้งใจโกงติดหนี้แผ่นดินลูกเข้าใจถูกไหมเจ้าครับไม่ไม่ครับ แต่ถ้าเขาตั้งใจโกงมันก็มัน ก, มนก็มันก็ผิดนะแต่ถ้าเขาทาด้วยด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เขาเขากู้แล้วเขาไม่สามารถจะจะจะใช้นี่ได้แล้วก็ถูกความก็ทําถูกกฎหมายมันก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใดแต่ถ้ามีเห็นวนะ่ามีช่องทางว่าสามารถกู้เมันมาแล้วก็ยอมล้มละลายอยันนี้พราะมีเจตนาที่จะโกงที่ยังไม่คืนธนาคารเข้าไป แต่อย่างนี้มันก็ทางกฎหมายก็าผิดไม่ได้ใช่ไหมเพราะกฎหมายก็ให้ฟ้องร้องอะไรทํางทำนี้ทางกฎแห่งมรมอาจจะเอาเอาผิดได้เพราะว่ามีเจตนาที่จะโกกคุณรังสีครับกลรบยังถามพระอาจารย์ครับการกล่าวว่าร้ายกระทบจิตใจคนอื่นแล้วบอกว่าเป็นคนปากร้ายใจดีมีจริงไหมครับหมายถึงใครละ่ะมีจริงไหมไม่ใช่หครับเข้าใจว่า เหมือนกับไปว่าคนอื่นแล้วบอกว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนปากายใจดีอย่างนี้ยครับก็จริงก็เป็นจริงก็ต้องดูแต่ละคนบางคนก็มีอย่างล้ําตัวหลวงตาที่ท่านดูดา่าพระอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าปากปากายใจดีนะแต่ท่านด่าด้วยความเมตตาท่านเตือนด้วยความเมตตาเพราะเรากําลังทําผิดอยู่ท่านก็เตือนแต่อยเตือนแบบวาจาสุภาพิตเราก็จะไม่กลัวไม่ไม่เกรงแล้วก็ทาว่า ดูด่ามากก่าแบบคําที่หนักหนักหน่อยแรงหน่อยเพื่อที่หลัาจะได้เข็ดหลาบแล้วกลัวจะไม่กล้าทําซ้ำอีกมีคนที่ปากร้ายใจดีมีแต่ส่วนใหญ่ต้องเป็นผ้าร้านเท่านั้นแล้วมักจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเราจะปากร้ายใจก็ร้ายตอนนั้นนะอาที่มันใจนเป็นยังไงปากมันก็ออกมาอย่างนั้นแนตะ่สําสหรับผ้ารหันนี่ไม่ผ้าร้านนี่ปากจะร้ายแต่ใจยังดีอ ครับอาจารย์ครับพระที่ปฏิบัติอยู่หลวงตานี่กลัวหลวงตาเหเหมาะมีบางคนบอกเป็นเสืออะไรครับอาจารย์ของหลวงตาเหมืนอนก็ไม่ได้กลัวท่านรบบทํานอกที่กลัวกันนะกลัว<อ>ด้วยความยัง่งแลงประม่ามาศึกษากับท่านเอไม่อยากจะให้ท่านนี้ต้องมา <c oughs> ต้องมาอนักอกหนักใจกับการกระทําที่ไม่ถูกของเรากลัวตรงนั้นมากกาแล้วถ้าท่านว่ากล่าวตักเตือนก็ จ ะ, จะพยายามที่จะแก้ไขดับแปลงครับตามที่ท่านสัเงทุกอย่างนสัยของคนทุกคนที่ไปที่ยังมีกิเลสก็เป็นนิสัยธรรมดาไม่ชอบให้คนดา่ามิชบให้คนว่ากล่าวถักเตือนก็จะมีส่วนยี้ด้วยที่ทําให้ไปกลัวท่านยิ่งกว่ากลัวยิ่งกว่ากลัวเสือก็ได้เพราะเสือมันกัดแต่เสือมันไม่ดา่าดีครับโดนกัดมันยจะอาจจะไม่เจ็บเท่ากับโดนดา่าครับใช่ไหมใช่ บางคนว่ารอค่าได้แต่ย้ำไม่ได้ใช่ไครับคุณรัญญาครับจะใช้หลักธรรมข้อใดที่จะฝึกให้รู้เท่าทาันโลกธรรมแปดครับก็ <c oughs> บอกว่าทุกอย่างที่มีอยู่มันจะต้อเสื่อมหมไปจะล่มหมดไปไม่ใช่ก็เหลยวมันได้ันหนึง่งเราก็คอยดูตัวอย่างของคนที่เขารวยแล้วจนคนที่เป็นใหญ่เป็นอนแล้วกายเป็นคนธรรมดาสามัญ มีอื่นย้คุณไทยไทยครับมีวิธีดูกายดูใจอย่างไรให้ถูกทางครับก็ดูด้วยสติขั้นตอ น, น, นให้ดูกายก่อนให้ใช้ ใ, ใช้สติดูกายคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของกายตลอดเวลาทุกอิเดียบทของกายเคลื่อนไหวอย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้ดูดูกายไปก่อนเพื่อสร้างสติขึ้นมาเพื่อหยุดใจให้นิ่งก่อน ให้เป็นสมาธิก่อนเมื่อเมื่อใจเป็นสมาธิครับทีนี้ค่อยมาดูใจต่อได้คุณแพทครับในเมื่อกายไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราอย่างนั้นตัวเราคืออะไรครับตัวเราก็คือสมงนู้เนี่ยเป็นตัวละครที่ใจความคิดปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเท่านั้นเองหมือนโลกแบรนด์เนี่ยโลกไม่เป็นแบรนด์ใช่ไหยแต่ทำไมคนก็ถึงว่าเป็นโลกแบรนเพราะเขาเห็นว่ามันแบรนด์าเลยเชื่อว่าเป็นแบรน เป็นความเชื่อแต่หนึ่งไม่ใช่เป็นความจิตจิตเราก็ไม่มีจิตก็ไม่ใช่เราแต่เป็นความเชื่อว่าเป็นเราจิตมันเป็นผู้รู้เป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดเท่านั้เองไม่มีตัวตนไม่มีเราอย่นแต่ตัวคิดนี่มันไปคิดว่าเป็นเราคิดว่าจิตเป็นเราคิดว่าผู้รู้นี่คือเราเป็นตัวเราเป็นความคิดพอเราหยุดคิดมันก็หายไปพอเข้าสมาธิพอหยุดคิดปั๊ ความคิดก็หายไปตัวเราก็หายไปเดี๋ยวแต่ตัวรู้ตัวเดียวอันนี้จะถึงจะเข้าถึงความจริงได้ต้องเข้าสมาธิให้ได้ให้จิตโดนเป็นโอเบตให้เป็นดับปัญาสมาธิให้ได้ให้เป็นโอเบตขาให้สักแต่ว่ารู้คุณอรุณวดีครับทำไมใจอยากทำบุญทำทานตลอดเวลาคะเพราะมันมีความสุข อเราจะทําเลยวพ่อมีความสุขถ้ามีความสุขก็อยากจะทําอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆไม่น่าจะทาเลยห <laughs> รือว่าทําแล้วไม่มีความสุขทําเพราะว่ามีศรัทธาแต่เชื่อแล้วก็อยากจะทําตามความเชื่ออันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ย่างนหนึ่งก็ได้เชื่อว่าทําบุญนั่นดีก็เลยทําอยู่เรื่อยๆ อ, อยากจะทําอยู่เรื่อยๆก็ได้คุณ มาลาทรีครับการบรรลุธรรมแต่ละขั้นนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรมีอะไรเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้รู้ครับก็ตอนที่เราเกิดทุกข์กับหลักสัพโยชน์เนี่ยเวลาที่เราเกิดความทุกข์จะเวลาที่ร่างกายจะร่างกายจะตายหรือเวลาร่างกายเจ็บปวดอย่างนี้แล้วเราสามารถทำใจของเราให้หายทุกข์ได้เราก็รู้ว่าเรามันรรลุธทรได้ คุณมารีรัตครับกรับเินถามพระอาจารย์ในงานบวชเวลาหน้าเข้าคนก็จะรีบไปจับเสื้อหน้าทั้งส่งและรับเข้าโบสถ์เพื่อจะได้บุญถูกต้องไหมคะโยมไม่เข้าใจเจ้าค่ะอ๋ออันนี้มันไม่ได้เป็นเป็นบุญเป็นอะไรหรอกมันเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติการแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นบุญจริงมันไม่เป็นบุญเลย <c oughs> มีคุณวรณภารายงานผลครับอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกได้ฝึกใช้คําบริกรรมพุโทโธเป็นที่พึ่งในวันที่ต้องวุ่นวายกับงานจนใจฟุ้งไปด้วยความคิดรู้ว่าคิดก็บริกรรมพุโทโธสู้ไปเรื่อยๆจนใจสงบลงได้ค่ะ mm hmm. คุณวีรวันครับฝึกสมาธิช่วงรแรกๆทําไมความคิดฟุ้งซ่านคะทํำยังไงถึงจะมีสมาธิดีดครับว่าใจมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว อมาทําสมาธิเราถึงบริษัทถึงไปร่วเมันฟุ้งตามปกติบางทีเราไม่รั่วเราฟุ้งอะเพราะเราคิดอยู่กับมันตลอดเวลาพอเราัจะพยายามจะหยุดมันเราถึงอยากรู้ว่ามันหยุดมันยากเพราะมันฟุ้งอยู่วิธี่ยาทําให้มันไม่ฟุ้งก็คือต้องฝึกสติทั้งวันฝึกให้มากๆฝึกเท่าที่เราจะฝึกได้เช่นบริกรรมพุทโธอยู่เรื่อยๆให้หยุดความคิดบ่อยๆอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยๆ แล้วต่อไปก็จะมีสบายที่ดีขึ้นไปเรื่อย <c oughs> คุณนาวาครับโยมไม่สบายใจที่ว่าโยมทบุญบ้านมีญาติทำถามโยมว่าเอาทองหยอดมาถวายได้ไหมโยมทราบ ว, ว่าหลวงปู่ท่านเป็นเบาหวานเลยบอกเขาไปตามนั้นคิดว่าเดี๋ยวเขาคงนำอาหารที่ถนอมธาตุขันมาถวายแต่วันงานเขาก็ไม่ได้นำอาหารมาถวายแต่อย่างใด โยมเลยรู้สึกผิดกังวลว่าความหวังดีต่อหลวงปู่ของโยมจะเป็นการขัดขวางการทําบุญของเขาเพราะคําพูดของโยมถ้าย้อนเวลากลับไปได้โยมคงไม่พูดอะไรเพราะหลวงปู่ท่านก็พิจารณาของท่านเองว่าควรไม่ควรฉันอะไรโยมทําถูกทําผิดอะไรไปไหมคะเวลาทําบุญเขาปล่อยให้คนที่เขาทำบุญเขาเขาเขาเขาทำไปเถอะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของเขาส่วนคนรับเขาก็จะรู้จักวิธี ว่าควรจะรับหรือไม่รับหรยอรับควรจะ <c oughs> ฉันแล้วไม่ฉันเองเราไม่ควรที่จะไปทําให้มันยุ่งยากเมื่อไปทําให้เขายุ่งยากเขาเลยอาจจะไม่ไม่เอาอะไรมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเอาอะไรน้่นมาก็ผิดเอาไม่นี่มาก็ผิดอก็เลยไปทําให้เขาเกิดความเสียความรู้สึกขึ้นมาก็ได้คุณวันเพ็ญครับวิหารธรรมกับกรรมฐานต่างกันหรือเหมือนกันไหมครับ คือมันมันต่างกันนะความหมายมันก็ต่างกันนะกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการทําใจให้สงบเช่นอานาปนสติพุทธานุสติพุทโธอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานส่วนมเมตตาธรรมก็คือเครื่องอยู่ของใจธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของใจก็เช่นเราจะมีเมตตาเป็นเครื่องอยู่มาได้เรามีเมตตาเราเลี้ยงใจเราอยู่ตลอดเวลาเราไม่เราไม่กอดเครื่องใครเราไม่อาค่าพยาบาทใคร เราให้ความสุขกับผู้อื่นเราทําอะไรเราก็ไม่เปลี่ยนเบียนผู้อื่นอันนี้ก็เรียกว่ามีเมตตาเป็นวิหารธรรมครับคุณเข็มจิลาครับมองโลกแง่บวกเป็นมงคลชีวิตด้วยไหมคะไม่เป็นหรอกเพราะโลกมันมีทั้งบวกมีทั้งลบต้องมองให้ครบทั้งสองด้านมองทั้งแง่บวกและมองทั้งแง่ลบอย่าไม่หลงถ้ามองเพียงแง่แงเดียวมันต่หลง เวลามันพลิกไปไปเวลามันพลิกไปอีกอีกมนะุมหนึงมันจะทําให้เราทุกข์จะทําให้เราเสียใจได้ใะะหพยายามมองทั้งสองมุมบอกโลกธรรมมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมองลาบมีทั้งเจริญแล้วมีทั้งเสือ่อมยศมีทั้งเจริญมีทั้งเสือ่อมสรรเสริญก็มีนันทาเป็นคู่กันสุขก็มีทุกข์เป็นคู่กันต้องมองอย่างนี้ถึงจะมองแบบแบบแบบยุติธรรมแบบแบบถูกต้อง เราจะทําให้เราไม่ทุกข์คุณมาริสาครับครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าต้องเชื่อพุทธวจนะอย่าฟังธรรมเหล่าอื่นกับความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะก็ให้ถือหลักคำสอพนพระเจ้าเป็นหลักมาตรฐานไว้แล้วเราก็ฟังคําคสอนของผู้อื่นได้ถ้าคําสอนของผู้ไม่ขัดหลักธรรมก็ใช้ได้เหมือนกันเราะบางทีการปฏิบัติธรรมนี่บางที การที่จะไปศึกษาพุทธวัจนะนที่มันพีมันไม่ละเอียดพอเพราะท่านไม่ได้สแสดงแบบเจาะลึกเข้าไปท่านแสดงแบบมมุกว้างหรืออาจจะมีเจาะลึกแต่อาจจะค้นหายากเพราะมันมีหลายขั้นสุดด้วยกันแต่ถ้าเราได้ไปพบกับภาพปฏิบัติปฏิบัติชอบที่ท่านสามารถที่จะมาเจาะลึกในประเด็นต่างๆที่เรายังมีความข้องใจอยู่ได้มันก็จะง่ายกว่าที่เราไปยึด ก, กับพุทธวัจนพ์พีอย่างเดียวแต่เราก็ต้องมีหลัก คำคำสอนแบบกว้างๆไว้เป็นตัวทดสอบว่าสิ่งที่ผู้อ่านสอนนั้นขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าขัดเราก็จะได้ไม่ไม่ไม่เชื่อก็ไม่ปฏิบัติตามก็ได้แต่การที่มีผู้ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติเช่นพระอรหันต์มาสอนเราเนี่ยมันจะ ง, ง่ายกว่าไปศึกษาจากพระคำปีพระไตาไป เหมือนกับคุณหมอถ้าไปเป็นศึกษาเป็นักศึกษาแพทย์ให้เป็นอ่านตำราต่างๆที่เขาให้ศึกษาตำราทำนี่กับมีอาจารย์สอนนี่จะเลือกเอาอย่างไหนดีครับอาจารย์ง่ายกว่าเยอะเลยครับอาจารย์ท่านมีประสบการณ์คุณสัจจาครับการฝึกสมาธิกับการบําเพ็ญตบะใช้อย่างเดียวกันหรือไม่คะก็เป็นส่วนก็อนยิงตบะนี่ท่านหมายถึงปัญญามากกว่า ปับนัน ต, ติันติคือความอดทนคันติตโปจะติคต า, าคันติเป็นตบะ ท, ที่จะใช้ดับความทุกได้ดีที่สุดถ้าไม่มีขันติความอดทนแล้วกาปรปฏิบัตินี้จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่คุณสรินทรครับทำความดีโดยพาญาตไปหาหมอส่งอาหารเป็นหลายเดือนสุดท้ายญาติคนนั้นเสียชีวิตแต่คนไปช่วยกลับถูกใส่ร้ายว่าไป ทรัพย์สินของคนตายมาเช่นนี้เป็นวิบากกรรมเก่าของเราหรือว่าเป็นกรรมใหม่ของผู้ใส่ร้ายคะอ๋อมันเป็นเรื่องของคนที่มีมีความมองคนในแง่ร้ายนี่เไม่ต้องไปสนังสงใจเราอยู่ในเรื่องนี้มันเปสรรเสริญเนินทาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นของคู่กันบางคนก็มองเราในแง่ดีอนุโมทนากับเราก็มีว่าคนที่เสียสละนะไปทําคุณทําประโยชน์ให้กับคนที่เขาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ไปมองในแง่ร้ายก็ได้ อย่างที้เมื่อกี้คุณถามว่ามองเลกในแง่บวกอย่างเดียวเลยมันก็ไม่น่เพราะมันมีทั้งสองแง่สองมุมและคนที่ทําก็อาจจะทําได้สองแง่สองมุมบางคนทําเพื่อหวังผลประโยชน์จากคนคนเจ็บก็ได้เขาก็อาจจะมองเราในแง่นั้นก็ได้ว่าเราไปทําเพื่อหวังผลประโยชน์จากการไปดูแลเขาฉั้นทําโน้นเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทรียอย่าไปกังวลเลยขอให้ดูเจตนาเราเราเป็นหลักว่าเรา เราซื่อสัตย์หรือเปล่าเราซื่อบริสุทธิใจหรือเปล่าท่านั้นดีจะดีกว่าแล้วเราจะสบายใจคุณนัชชาครับบุตรที่ไม่ดูแลบุปการีดุดา่าพูดจาไม่ดีทําให้ท่านเสียใจยเป็นการทําบาปไหมคะและจะส่งผลต่อบุคคล น, นั้นอย่างไรคะเขาเรียกว่าเป็นคนอคติอยู่ในคนค น, คนเลรคณก็จะเป็นถือว่าเป็นคนที่ไม่จเจริญก้าวนะ ว่าถ้าใครรู้ว่าเป็นคนแบบนี้ยังไม่มีใครอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมเพราะทำไปแล้วก็เหมือนเดี๋ยวดีไม่ดีถูกรอต ก, กันเหมือนนิทานอีศกที่ชาวนาไปไปรักษางูเห่าแล้วพอวันดีคืนดีเพอไปเหยียบหางูเหา่ห า, ห า, หาก็ถูกงูเห่าฉกฉกัดอันนี้ก็เป็นนิสัยของคนที่อักตันอยู่คนที่เนรคุณนั้นจะไม่มีใครที่อยากจะไป ช่วยหเหลือเลือดดูแลแลปวควรจะถูกนอบ ก, กัดในวันหลังนั่นเองคุณกัญญาครับการปฏิบัติธรรมจะช่วยตัดภพชาติที่เราจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงหรือไม่เจ้าคะได้ถ้าเราลาคาานะความอยากได้เพราะความอยากนี่เป็นตัวที่ทําให้เราไปสร้างภพสร้างชาติกันถ้าเราระงความอยากไนดะ้จํานวนภพชาติก็จะลดน้อยลงไปตามตามปริมาณของความอยากที่เราลดได้ ถ้าเราลดความอยาก 50% แล้วก็จะลดพวกชาติลงเหนือ 50% คุณ CHP ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าจุลินทรีย์ที่มีชีวิตในนมเปรี้ยวโพเบโอติกไข่ปลามีดวงจิตหรือไม่ถ้าเรากินไปจะเป็นการผิดสินข้อหนึ่งต้องดใช้กรรมหรือเปล่าคะไม่น่าจะมีนะเพราะตามความที่เราวิเคราะห์อยู่เราคิดว่าการที่จิตจะไปมี ไปไปยืดติดกับร่างกายได้นี่ร่างกายนั้นจะต้องมีขันธ์ห้ต้องมีอายตนะห้าไปต้องมีตาหูจมูกนิ้วกายเพราะจิตต้องการเสพรูปเสียงกลิ่นรสทุตภะจิตยังไม่ไปเกาะติดอยู่กับต้นไม้ต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกนิ้วกายไม่ไปติดกับลถยนต์ดิดนะแตจะ่จะไปติดตอนผ่านผ่านร่างกายอีกทีหนึ่ง <Yeah. S 1> จิตมาติดล้อยนตท่านคนคนก็อยากไปซื้อล้อยนต์มา ตอนนั้นแต่ต้องมีร่างกายเป็นสื่อเป็นเครื่องก่อนถ้าจิตนนนี้นจิตต้องไปหาร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้งกายฉะนั้นถึงจะถึงจะจะมีจิตไปเกาะติดได้ดังนั้นพวกจุินซรีพวกอะไรพวกนี้ไม่คิดว่ามันมีมีไม่มีอายาตราะทั้งห้าให้จิตไปเกาะได้ คุณกันนิโรบลครับลูกชายมีความตั้งใจอยากบวชสามเณรช่วงปิดเทอมทุกปีเว้นมาสองปีช่วงโควิดไม่ได้บวชมาปีนี้เอ่ยอยากบวชอีกมีคนบอกว่าบวชสามเณรด้วยความเป็นเด็กกายวาจาไม่ค่อยสมรวมบางครั้งอัทําผิดศีลจะเป็นบาปมากกว่าบุญจริงหรือไม่ครับเพราะใจไม่อยากขัดเจตนาของลูกเจ้าค่ะอ๋อได้หรอกการไปบวชก็เพื่อไปฝึกกายวาจาใจให้สมรวมนั่นเองซช่ไหม คนที่ไม่บวนเนี่ยก็จะอาจจะใหม่ๆก็อาจจะทําผิดบ้างก็ไม่เป็นไรก็เป็นการไปฝึกผลออกลงเหมั้นเป็นป น, นารเนี่ยใหม่ๆเขาไม่ให้ไปประจา น, นทันทีให้ไปฝึกก่อนให้เข้าค่ายฝึกทหารก่อนทำผิดก็ถูกลงโทษก่อนนจะว่าจะคอยคุมว่าทำยี่ผิดนะทําไม่ได้ฝึกไปไม่หรอ ก, การบวนนี่เป็นการฝึกผลกายวาจาใจให้ให้อยู่ในความเรียบร้อยเป็นการเป็นสิ่งที่ดี ส่งไปเลยถ้าเขาชอบช้าบวชถ้าบวชบวชได้ตลอดก็ให้เขาบวชไปเลยนแสดงว่าเขามีบุญเก่าติดตัวมามากอย่าไปขวางทางบุญเขาเลยถ้าเขาอยากจะบวชตั้งแต่เป็นเนรแล้วบวชไปไม่เสร็จนี้ก็อย่าไปเสียใจขอให้ดีใจสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนท่านก็บวชตั้งแต่ท่านเป็นเณรมาหลวงปู่ท่านท่านก็บวชเป็นเนก่อนแล้วท่านก็ต้องลาสิกขาไปช่วยมาน ง, งานที่บ้านพอท่านได้มีโอกาส ไบวชได้ท่าน ก, ก็กลับไปบวชใหม่เพราะวิสัยของท่านเป็นนักบวชอยู่แล้วแต่ร่างเดิมมาก่อนอย่างในลูกชายของเราอ า, ากาศจะมีวิสัยเป็นนักบวชมาเพราะญาดีตชาติเคยเป็นนักบวชมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะบวชก็ส่งเสริมเขาไปเถิดเขาเรียกอนุโมทนาบุญเนีไยนี่แหละแปลว่าความหมายอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับการทําบุญของของเขานอย่าไปขัดขวางบุญของเขาอย่าไปขัดขวางการทําบุญของเขาให้สนับสนุน ให้สองเสริมแล้วเราจะมีความสุขใจคุณจุลาลักษ์ครับการฉีดพ่นยาฆ่ า, มาแมลงเพื่อป้องกงันแมลงทําลายต้นไม้ผิดศีลปานาไหมครับถ้าเราไม่ได้ไปฉีดแบบที่ไปไปถูกตัวมันเอ๋อย่างเงี้ยแล้วมันมามันมายมันมาบางในภายหลังก็มันตายเพราะมันไปเบี้ยอันนี้ก็ไม่น่าจะผิดเนะพราะเราไม่ได้ไปทําโดยตรงกับ มันเป็นดรืออาจจะถือว่าผิดก็ได้ถ้าเราถ้าอยาจะคิดว่าบริสุทธิ์ถึงขนาดนั้นก็อาจจะถือว่าบาปก็ได้แต่ความรู้สึกของเราเราคิดว่ามันต้องมีเจียตนาและต้องมีสัตว์ที่อยู่ต่อหน้าแล้วและเราฉีดไปใส่ให้มันตายอย่างนี้บาปแน่ๆแต่ถ้าเราฉีดกันไว้ไม่ให้มันมามาเกาะมาติดแต่ถ้ามันยังดื้อมันยังมาเกาะมาติดอยู่มันถ้ามันตายไปเพราะว่าความดื้อมันก็เป็นเรื่องของของหนักไปเรื่องของกรรม คุณประชาะครับถ้าเราไม่ดูแลร่างกายตัวเองให้อยู่ในสภาพดีป่วยไข้จะเหมือนเป็นการเบียดเบียนตัวเองผิดศีลข้อแรกด้วยหรือเปล่าครับไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลแต่เป็นการไม่มีความรับผิดชอบมีของดีอยู่แต่ไม่ดูแลรักษามันก็เป็นเรื่องของการไม่มีความรับผิดชอบและก็จะเสียประโยชน์เท่านั้นเองเสียประโยชน์เพราะร่างกายนี้สามารถนามาทําคุณประโยชน์ได้อย่างใหญ่หลวเอามาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เอามาเป็นพาระอรหันต์ก็ได้ คุ ณ, ณ, ณนัฐมนรายงานครับบอกตั้งแต่ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ตลอดสองปีทําให้ความทุกข์น้อยลงปล่อยวางได้มากค่ะแต่นั่งสมาธิใจยังไม่สงบต้องอาศัยฟังธรรมะจากพระอาจารย์ไปก่อนค่ะเวลาได้ฟังมีความสุขมากอิ่มใจมากครับก็ดีสาธุอนุโมทนายินดีกับความก้าวหน้าในในทางธรรม คุณวีนาครับการนั่งสมาธิอย่างไรให้สามารถแยกจิตออกจากร่างกายได้เร็วคะต้องเจริญสติให้มากๆใช่ไหมคะใช่ต้องไปฝึกต้องไปเปรียบวิเวกอยู่คนเดียวไปปฏิบัติเปนสถานที่สมบแล้วปฏิบัติทั้งแต่ตื่นจนหับจะนั้นสติทั้งวันทั้งคืนระดับการนั่งสมาธิถ้าอย่างนั้นนะจะสามารถทําจิตให้แยกแยกจิตออกจากร่างกายได้อย่างรดวดเร็ว อาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆมาฟังธรรมจาก facebook 6 8 1คนใน y o ย t u b บ839คนในขับพาว18คนวันนี้มีคนฟังธรรมด้วยกัน 1,538 คนนะครับก็มากพอสมควรยินดีกับท่านทั้งหลายที่มีความสนใจในธรรมหวังว่าคงจะนำมาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความเจริญข้าวหน้าในธรรมมัก ย, ยิ่งขึ้นไปการสนทนาธรรม กันในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทรรน ย, ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเธอินสาธุก็ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังและคุณหมอไว้เพียงเท่านี้แล้วถ้าไม่มีอะไราขาดข้องก็ค ง, งจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเดิม ขอาจารย์คอรขอขอ บ, บ, บคุณพระอาจารย์ครับ